จเจริญธรรม ท, ทุกคนเอาวันนี้วันอังคารอังคารที่เก้าแล้วแรมหนึ่งข่ำเดือนสิบปีมะเมียปีมะเมียน้องอาตมาบวบูชาเกิดปีมะเมียอาตมาจำได้ อิงรักเาเกิดปีฉลูนี่ก็เกิดปีมะเมีย <c oughs> ปีมะเมียปีนี้ปาเข้าไปเท่าไหร่แล้ววะพระปดห้าเจ็ดสิบสองเจสิบสามแล้วเจสิบสองเจสิบสามอย่าง <c oughs> คนเราก็แป๊บๆปป๊ปเดียวนะเดียวเดียวก็อายุมากแล้ว <c oughs> <c oughs> อ้าว หวเราะอะไรเอา้าก็มันไม่แก่ได้แต่มันอายุมากอ ะ, อะมันไม่แก่ได้แต่อายุมันมากมันก็เดี๋ยวเดียวมันก็อายุมากแล้วก็ว่าไปแต่เออมันก็ไม่เคยแก่เอาวันนี้วันที่จะมาเรียนชีวพุทธชีวสิลปพุทธชีวศิลป์พุทธพุทธพุทธาพุทธชีวศิลป์ เรามาต่ออัตมาจะพยายามทวนตรงนี้เอาข้อยี่สิบหกปิปิฎกเล่มสิบหนี่แหละนะมหาศักก yamuni kotama s u o ที่จริงก็พูดมาแล้วนะอ่านมาแล้วนะตั้งแต่วิปัสสีวนะิปัสสีสูตรสิกขีสูตรถึง กัสปะสู่ที่ทันไหลที่พระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์มาอีกทั้งหลายองค์แต่ก็มาสรุปที่พระสมณโคดมซึ่งเหมือนกันหมดทุกพระองค์ท่านตรัสรู้เหมือนกันอันเดียวกันไม่แตกแยกไม่ห่างไม่แปลกไม่เปลี่ยนไม่ผิดเป็นจากเดิมนิรันดรพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ทุกพระองค์เป็นความรู้ที่สุดและไม่มีที่เปรียบ ไม่มีที่เปลี่ยนไม่มีอื่นอีกแล้วเป็นสุดยอดแห่งความรู้ลนะนะเพราะมปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นตัวหลักเลยพระพุทธเจ้าท่านประกว่าพระพุทธเจ้าอุบัติมรรคองแปดกับโพชงเจ็ดเนี่ยจึงอุบัติถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติมรรคองแปดโพชงเจ็ดไม่อุบัติไม่มี สองอย่างนี้เป็นเรียกว่าเป็นเอกยนธรรมเป็นทางเอกสุดยอดของศาสนาพุทธมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นสายอื่นสายใดๆ ไ, ไ, ไม่มีทางรู้เอาลองฟังดูอราจมาค่อยๆอย่ออานไปจะอ่านไปให้เห็นเจตนาที่จะอธิบายนี่ก็คือจะอธิบายว่าความเกิดกับความดับ ความเกิดกับความดับให้ชัดๆดูกระเพิสุ์ทั้งหลายเมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าโลกนี้ถึงความยากแล้วหนอย่อมเกิดแก่ตายจติและอุบัติและเมื่อเป็นเช่นนั้น ก็ยังไม่รู้ธรรมะอันออกจากทุกข์คือชราและมรณะนี้เมื่อไร่เล่าความออกจากทุกข์คือชราและมรณะนี้จากปรากฏดูกระเพาะุตั้งหลายเรานั้นได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่ ชรารมารณะจึงมีชรารมารณะย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยดูกระพิสุทธังหลายเรานั้นเพราะกระทำไว้ในใจโดยแยบคายจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติมีอยู่ชรารมารณะจึงมี ชราลมัมณาย่อมมีเพราะชาติเป็นปัจจัยแล้วก็ทวนซ้าไปต่อเนื่องเป็นปฏิกิริยาปฏิกิริยาลุกโฉไปเรื่อยๆอเมื่ออะไรมีหนาชาติจึงมีชาติย่อมมีเพราะมีปัจจัยเมื่อมีพบมีอยู่มีอะไรหนาะเรว่าไปชาติจึงมีช า, งมชาติย่อมมีพบเป็นปัจจัยเมื่ออะไรหนามีอยู่พบจึงมีพบย่อมมีอะไรเป็นปัจจัย ก็เมื่อมีเมื่ออุปทานมีอยู่พบจึงเป็นปัจจัยพบย่อมมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยเมื่ออะไรน้อมมีอยู่อุปทานจึงมีอุปทานย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยก็เมื่อตัญหามีอยู่อุปทานจึงมีนะอุปทานย่อมมีเพราะตัญหาเป็นปัจจัยเมื่ออะไรน้อมมีอยู่ตัญหาจึงมีตัญหาย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัย ก็เมื่อเวทนามีอยู่ตัณหาจึงมีตัณหาย่อมมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยก็ไล่สลับไปเงี้ยเมื่ออะไรหนอมีอยู่เวทนาจึงมีเวทนาย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเมื่อผัสสะมีอยู่เวทนาจึงมีเวทนาย่อมมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเมื่อไรหนอมีอยู่ผัสสะจึงมีผัสสะย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเมื่อสลยตนะ มีอยู่พัตสะจึงมีพัตตะย่อมมีเพราะสระยตนะเป็นปัจจัยเมื่ออะไรหนอมีอยู่สระยตนาจึงมีสระนาระยตนาย่อมมีมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเมื่อนามรูปมีอยู่สระนาสระยตนาจึงมีสระนาระยตนาย่อมมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยเมื่ออะไรหนอมีอยู่นามรูปจึงมี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 มาจบที่วิญญาณจึงมีวิญญาณย่อมมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยดูกระพิสูจน์ทั้งหลายเรานั้นได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่สังขารจึงมีท่านวนมามาถึงมาถึงสังขาไรไหลมาตั้งแต่ชลามารณะมาจนกระทั่งมาถึงสังขารมาถึงสังขารแล้ท่านก็ บ, บอกก็ เรานั่นกระทาไว้ในใจโดยแยกคายจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่ออวิชามีอยู่สังข า, จงงขา ร, าา ร, จ, ร, าาร จ, จึงมีสังขารย่อมมีเพราะอวิชาเป็นปัจจัยเพราะอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสลับกันเลยเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณทีนี่ก็ไล่ทวนมาอีกเป็นเป็นอนุโลมมาอีกเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ ดังพนามาช น, นี้ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ดูกรพิสุทธ์ทั้งหลายจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้บังเกิดขึ้นแก่เราในธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าฝ่ายข้างเกิดฝ่ายข้างเกิดดังนี้ ดูกระเพสุทั้งหลายเรานั้นได้มีความปฏิวิตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีทีนี้เป็นส่วนไม่มีทีนี้คำว่าไม่มีคาเดียวนี้ก็ย้อนเหมือนกันเป็นตะเพียงกลับกันอีกเท่านั้นเองเมื่ออะไรหนอไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเพราะอะไรหนดับเพราะอะไรดับชรารมรณะจึงดับดูกระเพาสุ์ทั้งหลายเรานั้นเพราะกระทาไว้ในใจโดยแยบคายจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่า เมื่อชาติไม่มีชราแมรณะจึงไม่มีเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับเมื่ออะไรเนาะไม่มีชาติจึงไม่มีเพราะอะไรดับชาติจึงดับเมื่อพบไม่มีชาติจึงไม่มีเพราะพบดับชาติจึงดับพบจึงไม่มีเพราะอุปทานดับพบจึงดับเมื่ออะไรเนาะไม่มีอุปทานจึงไม่มี พาะอะไรดับ Apa? อุปทานจึงดับเมื่อตัญหาไม่มีอุปทานจึงไม่มีเพราะตัญหาดับอุปทานจึงดับเมื่ออะไรเนาะไม่มีตัญหาจึงไม่มีก็เพราะอะไรดับตัญหาจึงดับเมื่อเวทนาไม่มีตัญหาจึงไม่มีเพราะเวทนาดับตัญห า, าจึงดับเมื่ออะไรเนอไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะอะไรดับเวทนาจึงดับเมื่อผัสสะไม่มี เวทนาจึงไม่มีเพราะภาษาดับเวทนาจึงดับเมื่ออะไรหนอไม่มีภาษาจึงไม่มีเพราะอะไรดับภาษาจึงดับก็เมื่อสลายตนะไม่มีภาษาจึงไม่มีเพราะสรายตนะดับภาษาจึงดับเมื่ออะไรหนอไม่มีสรายตนะจึงไม่มีเพราะอะไรดับสลายตนะจึงดับเมื่อนามรูปไม่มีสริยตะจึงไม่มีเพราะนามรูปดับสริยตะจึงดับ เมื่อไรไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะอะไรดับนามรูปจึงดับเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเมื่อไรน้องไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะอะไรดับวิญญาณจึงดับเมื่อสังขารไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ ดูกระเพษสุทั้งหลายเรานั้นได้มีความปริปิตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรน้อไม่มีสังขารจึงไม่มีนี่เป็นตัวสุดท้ายแล้วเพราะอะไรดับสังขารจึงดับดูกระพิะุทั้งหลายเรานั้นเพราะกระทำไว้ในใจโดยแยกขายจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารจึงไม่มีเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับ เพราะวิชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับดังพนามานี้ก็ไล่ไปเลยนะเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับนามรูปดับจึงอเยตนาดับไล่ไปจนกระทั่งถึงหมดโศกปริเทวะทุกขโทมานอุปายาสละเลยนเขาละไวในฐานที่เขาใจความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประกาศอะไรอางนี้ดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายจักษุญาณวิชาวิ จากสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดัได้บังเกิดขึ้นแก่เราในธรรมะที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าฝ่ายข้างดับฝ่ายข้างดับดังนี้นะสรุปแล้วหนึ่งเห็นความเกิดความดับด้วยจักสุยานปัญญาแสงสว่างนะยานปัญญาวิชาแสงสว่าง ได้เห็นความเกิดขึ้นและเห็นความดับด้วยจักษุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเช่นเดียวกันที่เห็นได้เพราะท่านบอกว่ากระทำไว้ในใจโดยแยบคายที่เห็นอันนี้ได้เกิดจากสุก็ดีเกิดยานเกิดปัญญาเกิดวิชาที่มีแสงสว่างนี่ก็ดี มันเกิดนี้ได้เพราะกระทำไว้ในใจโดยแยบขายโยนิสสมนัสการอัตมาไม่อยากจะแปลว่ากระทาไว้อยากจะแปลว่าทําใจในใจการกระทําใจในใจทําเราทําเอาที่ใจเลยทําใจจริงๆเลยเราทำไว้ในใจแต่เหมือนมันคคาอยู่มันไวยตรงนั้นอะทําอยู่ไว้ไวยไวยอยู่ทําเลยทําใจในใจให้มันเกิดมันดับอะไรมันเกิดมาเอามันดับอะไรจะให้มันดับ อะไรที่มันเกิดมาแล้วมันจะต้องดับก็ต้องจัดการเท่านั้นเลยเพราะงั้นล้วก็ทวนไล่ตัวพงนี้อยู่เนี่ยซึ่งเป็นพยัญชนะแต่ละคำแต่ละคำแต่ละตัวที่มันสื่อถึงสภาวะต่างๆเนี่ยที่ท่านไล่แล้วก็ท่านเอามาเรียบเรียงเอาไว้เท่านี้แหละรู้เพียงเท่านี้แหละจบรู้จริง ดับสิ่งเหล่านี้ได้จริงจบแล้วการดับก็พูดมาหลายทีแล้วว่าไม่เหยบไม่ใช่พาซื่อเป็นดับเอาดือด้อๆนะดับชรามรณะดับชาติและดับอะไรเนี่ยโดยดับพาซื่อโดยไม่รู้เรื่องหรือบางทีก็บอกว่าดับอวิชาก็คือมันต้องมีวิชาวิชาคืออะไรวิชาคือปัญญาวิชาคือความรู้ เพราะฉันก็จัดการตัวนี้ตัวเดียวกันได้ก็หาความรู้กันสร้างความรู้กันมีความรู้แล้วจะได้ดับพวกนั้นหมดทั้งยวงนะก็เป็นตักกะนะเป็นเหตุเป็นผลนะเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลได้เป็นตักกะแต่โดยความเป็นจริงทั้งหมดแล้วมันไม่ได้ถ้าคุณไม่ดับอย่างรู้ด้วย จักสุนะด้วยจักสุด้ว ย, ยานด้วยปัญญาด้วยวิชาด้วยแสงสว่างห้าคำเนี่ยจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างเนี่ยนะมันกำกับบอกเลยว่า จะต้องเป็นจักขุมาปรินิพุโธติจักสุเนี่ยคือจักสุริศลจักสุเป็นภาษาสันสกฤตอ่าที่จริงเนี่ยนี้ท่านไม่ได้ใช้คําว่าจักสุหรอกท่านแปลมาเป็นใช้คําสันสกฤตกันคือจักขุภาษาบาลีจักขุจักขุมยานปัญญาวิชาแสงสว่างแสงสว่างอาโลกาอโลกาแสงสว่าง มันบอกชัดเจนว่าผู้จะรู้ทั้งความเกิดขึ้นแม้ที่สุดรู้ความดับต้องมีจักสุต้องมีแสงสว่างนะแล้วก็ต้องมีความรู้ต่างๆที่เรียกรดยยานก็ตามปัญญาก็ตามมิจฉาก็ตามนะปัญญาเป็นคำกาตกลางยานก็มีหัวข้อบอกให้กำหนดยานอย่างนั้นยานอย่างนี้ยานอย่างโ น, น้นยานอย่างนั้นอะไรเยอะแยะ ปัญญาก็เป็นคำ ก, กลางๆมาเป็นความรู้ความเข้าใจความฉลาดเฉลียวเป็นความรู้รวมทั้งหมดเนะ่ยส่วนญาณ น, นั้นก็เป็นหลักวิชาวิชาอีกจริงๆทีน่นี้วิชาก็เป็นหลักวิชาข้อหลักเลยข้อหลักงวดเข้าไปเลยเป็นความรู้ที่จะจำเพาะเลยว่าถ้าวิชาแล้ว เอาไปเรียกอื่นไม่ได้เลยต้องเรียกความรู้ทางธรรมปรมัตถธรรมของพระเจ้าอย่างเดียววิชาเนี่ยเอาไปเรียกอื่นไม่ได้เพราะฉัจะเอาญานไปเรียกเรื่งไปเรียกอนุนันนี้พอได้บังยิ่งปัญญาและยิย่งโอโหเรียกทั่วไปเลยกว้างเพราะปัญญากว้างมากญานี่จํากัดขึ้นมาหน่อย บิดาจำกัดมากที่สุดฉันเดียวกันกับคำว่าวิญญาณจิตมโนอย่างนี้เป็นต้นคําว่าวิญญาณก็เรียกกันกว้างกว้างกว้างวิญญาณวิญญาณอย่างน้นอย่างนี้อย่างน้นอย่างทั้งนอกขั้งในรวมทั้งหมดก็เรียกว่าวิญญาณทั้งหมดละเด็กกว่ากายวิญญาณ องรวมกายก็คือองรวมหรือองประชุมเพรา ะ, ะนั้นมาเกิดองค์ประชุมที่เหตุปัจจัยรูปเรนนามมันมีวิญญาณทั้งนั้นองค์ประกอบใดๆที่ยังมีรูปและนามอยู่ตราบใดที่มีรูปเรนนามอยู่ตราบนั้นก็ยังไม่สูญหายไปก็เป็นสิ่งที่ทรงอยู่ไวอยู่นะก็เรียกว่าถ้าจะเกิดอาการของวิญญาณ ก็จะต้องมากระทบสัมผัสให้รู้ให้เรียนได้ส่วนคำว่าจิตรองลงไปจากวิญญาณเป็นคํากลางๆจะเพาะเรียกหน้าที่ของจิตหน้าที่ของาธาตุรู้ที่ที่รวมไปหมดเลยจะเรียกในขณะปฏิบัติเห็นวิญญาณเกิดและก็จัดการกับวิญญาณนั้นๆนๆันนนั น, น, น, น, น, นก็ได้จิตก็เรียกว่าจิตเป็นคำ ก, กลางๆเช่นเดียวกันกันกบคาว่า สักกายะอัตตาอาสวะนี่เป็นต้นก็คือตัวตนอัตตาก็เป็นคํากลา ง, งกว้างๆครบๆจนสักกายะก็จำเพาะลงไปว่านี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วตัวนี้แหละละเอียดลงไปถึงสุดท้ายอาสวะเพราะวิวญญาณจิตมโนอิญญาณก็เป็นคํา จำเพาะขนาดหนึ่งเหมือน ก, นกันกับสักกายะส่วนจิตเหมือนอัตตาเล็กรวมๆสมวนมโนนั้นก็คือจำเพาะจิตแท้ๆด้ือความธาตรู้แท้ๆภายในในๆ น, นะเพราะเล็กสุดจะเรียกว่ามโนเล็กสุดจะเรียกว่าอาสวะนะ นัยนปัญญาวิชานี่ก็เรียกว่าเข้มที่สุดเรียกว่าวิชานะกว้างๆ ก, ก็เรียกว่าปัญญ า, ลากลางๆมันคำว่าอัตตาสัญญาณก็จำเพาะขึ้นมาขนาดหนึ่งนี่เป็นต้น น, นี่คือความหมายที่คล้ายกัน แต่แทนกันได้สําหรับผู้ที่ยังหยาบอยู่ยังไม่ละเอียดพอสําหรับผู้ละเอียดก็จะค่อยๆเข้าใจพวกนี้ไปได้เรื่อยๆขนาดนั้นก็ยังมีเหตุปัจจัยที่เราจะต้องมีเหตุปัจจัยประกอบมันถึงจะรู้ได้ขึ้นไปเรื่อยๆนะมีสิ่งที่จะต้องอธิบายกันก็คือโยนิโสมนสิ ก, การกระบวนการของทั้งหมดตั้งแต่อวิชายัน เชรามรณะโสกับปริเทวทุกขโทมานันอุปายานนั่นแหละเป็นกระบวนการของปฏิจจสมบับาทั้งหมดเพราะสิ่งเหล่านี้คือภาวะกระบวนการของจิตกระบวนการของจิตทั้งนั้นเลยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องชัดเจนว่าเราปฏิบัติภาวะทั้งหมดในปฏิจจสมบัทนี้หมายถึงประมาทหมายถึงภาวะ ของจิตเป็นหลักจะเกี่ยวข้องกับรูปข้างนอกวัตถุทั้งรูปดินน้ำไฟลมก็เกี่ยวข้องจะเกี่ยวกับบุคคลตัวตนสภาพข้างนอกอะไรต่างๆนานาอีกก็ข้างนอกแต่เป็นองค์ประกอบเป็นส่วนประกอบเท่านั้นเราต้องทำใจในใจเท่านั้น จัดการใจในใจเหตุประกอบได้ได้ได้ได้ไ ด, ได้เป็นองค์รวมที่ประกอบตามธรรมดาธรรมชาติของชีวิตที่เราจะประสบสิ่งเหล่านี้พบสิ่งเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้ละที่เรารู้ไม่เท่าไม่ทันแลวเราก็ไปหลงมันเข้าใจมันไม่ได้ว่ามันเป็นเหตุปัจจัยที่อาศัยได้เป็นคุณเป็นโทษ อาศัยได้เป็นคุณเป็นโทษเพราะฉะนั้นเมื่อรู้คุณรู้โทษแล้วก็เรียนรู้ว่าจิตที่มันไปหลงติดสิ่งที่มันเป็นโทษเราก็จัดการความมีอยู่ของมันซะให้ดับให้ดับเพราะเราต้องทำความดับส่วนมีคุณก็อาศัยมันไปนี่คุณก็อาศัยมันไป จงกระทั่งไล่ไปเรืเร่อยๆ เ, เราไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์เพราะเหตุปัจจัยที่มีอยู่เรือรูปกับนามเรือจิตกับองค์ประกอบทั้งหลายคือกายกายกับจิตส่วนไอ้มหาพุทธ ร, รูปหรือรูปต่างๆที่จะก็เกิดขึ้นไล่เรียงไปจนทั่ง28แรูปที่เราอธิบายมาเยอะบ่อยๆแล้วที่มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ มิท่าจิตก็จะต้องถูกรู้ด้วยสิ่งเหล่านี้เพราะเรายังมีตาหูจมูกลิ้นกายมีทวารทั้งห้าทวารหที่เป็นตัวกลางคือใจแล้วก็ร่วมอยู่ก็เจ้าพวกนี้อยู่ตลอดเนี่ยเมื่อเราทําได้ดีจนกระทั่งเรารู้ความเกิดความดับของสภาวะจิตอันนี้คือจิตเกิดจิตดับ เพราันจิตใดที่เป็นโทษเรี่าอกุศลจิตเรารู้ตัวมันได้ตัวนั้นเราจะต้องดับจะต้องจัดการสมุทัยของมันด้วยปัญญาด้วยยาด้วยปัญญาด้วยวิชาดับมันด้วยยาด้วยปัญญาวิชาไม่ใช่ไปดับด้วยอะไรอื่นเลยและจะต้องเป็นปัญญาเป็นญาณเป็นปัญญาเป็นวิชา ที่รู้เห็นแจ้ ง, จงเลยเลยเห็นแม่การเกิดเห็นแม่การดับเกิดแล้วมันก็เกิดน้อยลงน้อยลงน้อยลงเบาลงบางล ง, ล ง, ลงจนกระทั่งมันไม่เกิดไม่มีไม่เกิดไม่มีไม่เกิดจนไม่เกิดแล้วก็เห็นความดับนี่คือเราเห็นความเกิดความดับ ไม่ใช่บอกว่าเห็นจ well ิตเกิดดับเกิดดับเราจะต้องมีวิปัสนาญาณต้องเห็นความเกิดความดับของจิตเจะสิ่ที่พูดกันโมทท่นตักไหนก็ดูมันจะพูดถึงนั้นแหะเห็นความเกิดวิปัสนาคืออะไรวิปัสนาเห็ความเกิดความดับของจิตแล้วเห็นยังไงความเกิดเห็นยังไงว่ามันดับอะไรเกิดอะไรดับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่ว่ามันไม่แม่นมันไม่ชัดว่าอะไรเกิดอะไรดับ มันก็ตีคลุมมัวมัวจิตเกิดดับใจเกิดดับกระพูดได้เป็นตะ ก, กะเป็นภาษาเป็นจิตทั้งหมดละประมัดโสกัปริเทวะจิตทั้งนั้นน่อาการของจิตที่อวิชชานะั่นแหะมันต้องมีโสมรณะตัวนี้ไม่ใช่ร่างกายตายเพราะมนเรื่องของประมัดมันของจิตจิตตายไม่ใช่กายตาย เพราะชราก็ไม่ใช่กายชรานี่เราจะรู้รตูตัวปลายเกือบสุดท้ายลักษณะรูปเลยรูปตัวที่อุปาทายรูปหรือว่าถ้าเป็นรูปทั้งหมด28ก็เป็นตัวที่27เดเลยอุปาทายจะรูปก็ตัวที่23บสามเลยลักษณะรูปเนี่ยชราชราตา ตัวสุดท้ายอนิจิตต า, า, ารักษารลมันมีสมันมีอุปัจยะสันตติแล้วก็ชรตาแล้วก็อนิจตาตัวสุดท้ายตัวรองสุดท้ายชรตาเพราะเราจะรู้จักชรตามันย่อมเสื่อมเป็นธรรมดาคนจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เสื่อม อะไรก็เสื่อมอมธิบายให้ฟังแล้วว่าแม้ปรัชรุเป็นอรหันต์แล้วเป็นพระโพธิสัตว์แล้วทุกอย่างเกิดจับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาและไม่มีอะไรหยุดอยู่เลยสิ่งที่ไปสะสมเป็นอาสวะหรือเสื่อมลงไปสู่ที่ก้นบึ้งของจิตเป็นอดีตมันก็ยังมีบทบาทเข้ามันอยู่บทบาทที่มันมีตัวข้งมัน่ะ เช่นว่ากิเลสเราทําให้มันตายมันก็ตายมันไม่ตายไม่ใช่ไหมมันตายในปัจจุบันนี้มันไม่เกิดกับเราประสิทธิภาพของวิชาพระเจ้าเนี่ยกิเลสตัวไหนที่ฆ่าได้ตายเป็นอรหัตผลไปจริงแล้วเป็นนิจังทุกวังสัสตังอวิปริณามัทมังสังยังแล้วเนี่ยมันไม่เกิดกันในจิตเราอีกแต่ไม่ได้หมายความว่า มันไม่เคยเกิดมันเคยเกิดและมันก็ยังอยู่มันเป็นบิบากบิบากกรจิตอยู่ในอดีตเพราะฉะนั้นเมื่อเราเองมีพฤติกรรมปัจจุบันเนี่ยเราไม่ทําอีกเลยเหตุปัจจัยที่จะไปเสริมให้พวกพวกนี้มันอ้วนมันได้อาหารอีกมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นอ่ะยิ่งกว่าไวรัสอยู่ล้านล้านลปีมันก็อยู่ของมันอยู่งั้นอ่ะ แต่เราไม่เพิ่มอาหารนี่มั น, ม, นมันไม่โตมันไม่หนามันไม่อ้วนมันไม่ใหญ่มันไม่มากอีแล้วเราทำแต่ปัจจุบันไปาหาอดีตโอเคไปไปหาอนาคตที่มีแต่ตัวใหม่ที่ไม่มีอาหารให้ตัวนี้อีกเลยมีแต่ตัวไม่มีเพิ่มกิเลสใหม่เลยพะเป็นอาหารหันต์แล้วไม่ทำกิเลสใหม่อีกเลยเมื่อไม่ทำกิเลสใหม่อีกเลย กิเลสก็ไม่เกิดอีกเมื่อกิเลสไม่เกิดอีกเราสร้างแต่กุศลกุศลก็เป็นเป็นผนังกําแพงตะแกรงกําแพงเหล็กเป็นบัฟเฟอร์มันไม่ใช่บัฟเฟอร์เท่านั้นมันเป็นอะไรกําแพงเหล็กอะไรอ่าพัดฮะอ่าพนงทองแดงกําแพงเหล็กที่หนาขึ้นเรื่อยมันไม่แค่บัฟเฟอร์มันไม่แค่ ขีดขั้นกันยืดจุนให้เท่านั้นมันแข็งไปด้วยเลยเพราะฉะนั้นจึงกั้นด้วยกุศลไกลขึ้นไกลขึ้นกุศลมีแต่ยังกุศลถึงพร้อมไปมีแต่ทําดีถ่ายเดียวไม่ทําชั่วไม่ทําบาปอีกเลยตัวนั้นก็ถูกดองไว้อย่างนั้นไม่มีสิทธิได้อาหารแล้วก็ไอ้นี่ก็ลไกลไกลไก ล, กลไปด้วยจนกระทั่งสุดท้าย ปริญิพานเป็นปริโยสางจบหมดอัตภาพหมดอัตภาวะสลายตัวเองหมดแล้วไอ้พวกนี้พวกอาสวะอนุสัยหรือพวกวิบากอาดีตต่า ง, ง, งๆนานาอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยงงเลยเฮ้ยมหมดอัตตามันก็ต้องภายในกันด้วยก็ไม่รู้อันนี้มันเป็นนามธรรมสุดอจินไตยที่พอเข้าใจไหมน้า นี่มันเป็นเรื่องที่โอ้โ ห, หลึกซึ้งมากมายนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขัดกับคำว่าทุกอย่างในมหาจักรวาลนี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งนั้นไม่ได้ขัดเลยถ้าเข้าใจทะลุทะลวงว่งหมดแล้วไม่มีอะไรขัด อ, อันนี้ก็พูดทิ้งไว้ใครเข้าใจได้ก็ก็ดีใครยังไม่เข้าใจไม่ได้ก็วางไว้ก่อนอันนี้มา ไล่ที่อัตมาจะไล่ความเกิดและความดับนี่ก็คือความเกิดของโยนิโสมนสิกานี่แหละจะความเกิดของโยนิโสมนสิกานี่แหละเพราะมันจะเกิดอะไรจะเกิดเราก็จะต้องรู้ความเกิดอวิชชาเกิดเราจะไปรู้ตัวอวิชชามันไม่ได้เราเพราะว่าตัวใจเราเนี่ยตัวธาตรู้งเราเนี่ย ตัวเราเองเป็นอวิชาแล้วเราบอกว่าเราจะไปรู้เอาไปไปรู้วิชาไปรู้อวิชาเอาคุณไม่มีวิชาคุณจะไปรู้อวิชาได้ยังไงคุณก็ต้องสร้างวิชาขึ้นมาเรื่อยๆสร้างวิชาตัวน้อยขึ้นมาแล้วค่อยๆตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นก็คือทำให้อวิชามันหมดไปนี่เป็นภาษาตักกะนะเป็นภาษาตักกะเพราะฉะนั้นจะให้อวิชามัน ค่อยรลอยรอก็ค่อยดับลงดับลงแล้วให้วิชามาเกิดขึ้นมาแทนเกิด ข, ขึ้นมาแทนเนี่ยมันจะเกิดมันจะมีวิชาเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็เพราะว่าจะต้องมีในกระบวนการนี่แหละตัวใดตัวหนึ่งต้องดับลงตัวใดตัวนึงต้องดับลงจึงจะเห็นความดับตัวนั้นเพราะฉะนั้นจะไปดับโสกกะปริเทวะ คนก็บองธรรมชาติมันก็ดับอยู่แล้วโศกกะเราก็ค่อยๆดับไม่ไม่ดับมันก็อยู่ทุกมันเองมันมันเที่ยงคุณจะโศกเศร้า น, นี่รันดอนไม่มีหรอกแล้วคุณจะดีใจนี่รันดอนก็ไม่มีคุณจะทุกข์อยู่ตลอดกาลนานไม่มีเลยคุณจะสุขตลอดกาลนานไม่มีธรรมชาติมันก็บนเวียนไปมาไปหาตรงนั้นไปหาตรงนี้ไม่มีอะไรก็ไปตรงนี้ตรงนี้เปลี่ยนไปแหละนี่ย เพราะฉะน้นเราจะไปดับทิชรามารณะมันดับไม่ได้ไปดับเป็นพบพบมันก็เป็นภาวะเท่านั้นพบก็คือภาวะนั่นแหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ปรากฏโดยเหตุปัจจัยเท่านั้นมันไม่ใช่ตัวเกิดจริงเริ่มเกิดก็คืออุปทานหยุดใครรู้จักความหยุดบ้างแล้วบ้างหยุดอะไรบ้าง อพอเข้าใจพอรู้ยึดและยึดคำนี้ตั้งแต่หยับหยาบยึดบานกูที่ดินกูทรัพย์สินกูเพชรกูทองกูยยดยึดไปหมดต่แต่เด็กๆ ก, กันนี่ตุ ก, กตาของกูไเรื่อยๆยึดมันไปตะพึดตะพือตั้งแต่วัตถุอาการยึดมันเป็นยังไงคุณอ่านอาการนั่นแหละอุปท า, าน ตั้งแต่นี้เรียกว่ายึดมาเป็นตัวตนโอราติกาตตาเกี่ยวเนื่องกับดินน้ำไฟลมวัตถุข้างนอกทั้งหมดยึดพฤติกรรมยึดกิริยายึดท่าทางที่มันมีอยู่ในตัวเราเคลื่อนไหวอย่างโน้นอย่างนี้อย่างโ น, องน้อย่างนี้อย่างนี้ดียงี้ไม่ดีอะไรก็ยึดไปหมดตามค่านิยม ตามที่จะได้รับความนิยมถ้าเผอเราชมชอบอยู่ให้คนอื่นมายกยอปอปัน้นเรยคนมายอมรับอะไรก็แล้วแต่ยึดจนกระทั่งความรู้ตัว น, นี้ยึดไปไปถึงขั้นนามธรรมาตั้งแต่วัตถุไปถึงนามธรรมาอาการ ย, ยึดเหล่านั้นเราต้องรู้ได้ด้วยญาณปัญญาวิชา เมื่อมันเกิดแล้วเราก็อ่านมันจริงๆอ๋ออาการนี้และอาการนี้มันยึดอยู่โดยมีเหตุมีปัจจัยถ้าวัตถุเออมันก็มีวัตถุยึดอยู่ถ้าไม่มีวัตถุท่าทีท่าทางลีลาต่างๆการกรรมวิจีกรรมต่างๆเราก็รู้อ่านออกว่าเออเรามันยังยึดอาการต่างๆกระทบอาการอย่างนั้นกระทบอาการอย่างนี้ชอบไม่ชอบนะ คนอื่นเขามีอาการเนี่ยแล้วก็ชอบไม่ชอบหรือเราเองอาการของเราเองชอบไม่ชอบก็ปรับไปอะไรเป็นโทษอะไรเป็นคุณในอาการอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งจะต้องมีสัพพุทธธรรมเราจะประมาณใ้เกิดอาการอย่างงี้อย่างงี้ท่าทางงั้นัจากขีตตะวาทิตตะอย่างงี้อย่างงี้ไ ง, งแล้วก็ทำตามเหมาะตามควรที่จะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านความรู้นะจงก็ตั้งถึงความรู้ระดับปรมาษ ความรู้ทางด้านธรรมะยิ่งความรู้แค่โลกโลกก็ยึดก็ถือใครแตะไม่ได้ความรู้ทางธรรมก็เหมือนกันมันยึดมันถือแล้วก็ใครแตะไม่ได้ใครมาลบลู่ใครมาทวงใครมาตำหนิใครมาไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยทั้งๆที่ของเราผิดเรายึดจริงๆแค่มาแตะหยุดถือ โกรธอัตาขึ้นถ้าไม่ยึดซะแล้วเออมันก็ไม่เป็นไรแม่ที่สุดเราจริงเป็นความรู้ในระดับโล ก, กุตรธรรมจริงเราก็ไม่ยึดใครจะมาลบหลูใครจะมา ต, ตองใครจะมาว่ามาอะไรก็ฟังแล้วก็มีอะไรดีกว่านี้มหมแสดงออกมาบ้างโล ก, กุตรธรรมของคุณโล ก, กุตรธรรมของเราเขาว่าไม่ใช่เขาว่าม่ดีอะไร แล้วก็เขานาว่าใช่แล้วก็ด mm. so ีมันเป็นยังไงแสดงออกมาให้มันชัดซอมันดีกว่าเราจะเอาถ้ามันไม่ดีกว่าเราก็เออแต่ภาษีของเขาของเขาของเาเราก็น้องของเราของใครของมันอาศัยของใครเขาของเขาอาศัยของเขาเขาบอกเขาเป็นสุขหรือเขาว่าเขาเจริญเขาบอกเขาประเสริฐอะไรเขาว่าถึงเขาไปเราก็ว่าของเราอ่า เพราะฉะนั้นในสิ่งที่อุ ป, ปาทานที่ยึดนี่แหละจนกระทั่งเราไม่ต้องไปหนักไปเหนื่อยวัตถุเราก็ไม่ยึดท่าทางเราก็ไม่ยึดเข้าใจแล้วอันนี้อาตมาพูดสั้นๆนะไม่พูดละเอียดเกินไปจนกระทั่งโลกุตระเราก็ไม่ยึดแต่เราก็มีโลกุตระแล้วจนจบก็หมดอุ ป, ปาทาน ทีนี้มันจะหมดอุปทานได้เนี่ยมันจะทำอย่างไรล่ะมันจะหมดได้ท่านก็บอกว่าต้องให้มันเคลื่อนไหวเพราะอุปทานเนี่ยมันเป็นตัวนิ่งมันไม่ตัวไม่เปิดเผยตัวอะไรมันยึดยึดก็รู้ยากมันยึดปัจจัยที่มันกระทบสัมผัสเรายึดติดเพชติดพลอยก็ต้องกระทบเพชรพลอยติดลีลาท่าทางติดคนฟ้อนคนรา ติดคนเต้นคนดีติดคนในเตะบอลติดคนแสดงท่านั้นพูดอย่างนี้ส่งเสียงอย่างโน้นอะไรก็แล้วแต่นัจคีตวาทิต ะ, ต, ะต่างๆหรือแม่แต่ที่สุดติดน้ําใจติดอาการทางใจของคนที่เราพออ่านออกพอรู้ได้ก็โอ้สธาเริ่มใสน้ําใจแฮ้น้ําใจอย่างนี้แหละออื ใจแบบนี้แหละอาตมานึกถึงคนคนหนึ่งที่พูดเนี่ยก็ไม่รู้จะแก้เขายัางไงแก้ไขเขาไม่รู้จะแก้ไขเขายัางไงอย่าไปบอกชื่อเขาเลยอธิบายลักษณะให้ฟังอะไรกันหลายคนพออาจจะรู้ก็ได้พูดถึงลักษณะแล้วอาจจะรู้ก็ได้แต่ไม่รู้ว่าเป็คนขวายหาหรอก เขาเองเขาเกิดโอ้โหลักษณะใจอย่างนี้ใจอย่างเนี้มันไม่เคยเจอพอเจอแล้วโอ้โหสุดรักสุดบูชาจะต้องได้ต้องมีต้องเป็นต้องเอาให้ได้ใจนะใจนะส่วนอื่นไม่เกี่ยวอะพูดใหชัดขึ้นไปอไอ้คนคนนี้อะ แต่มันมีใจแบบนี้โอ้โหใจมันในจอดเลยเกิดมายังไม่เคยพบใจแบบนี้บอกลักษณะลงไปเองว่ า, วาใจเขาทําไมมันซื่อจังเลยใจซื่อจังเลยโอ้โหเกิดมาชาตินี้เขาเกิดมาเองเนี่ยเขาเจอแต่คนคดเจ็บช้ำในใจกับคนคดมา จ, จังเลยมาเจอไอ้คนนี้เนี่ย ม, มันได้ใจมันซื่อ มันจริงใจมันใจมันซื่อจริงเลยอันอื่นไม่เกี่ยวอะ่ะมีความรู้มมีความรู้หล่อไม่หล่อรวยไม่รวยไม่เกี่ยวซื่ออย่างเดียวเสร็จอย่างนี้เป็นต้นใจนะนี่ <c oughs> ยึดใจนะเอาที่ใจเท่านั้นนโะอ้โหเสร็จเลยเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงเขายึดอย่างนั้นจริงๆ ก็ยังอยู่ทุกข์อยู่นะเนี่ยทุกวันนี้ก็กยังทุกข์อยู่ใครรู้ก็ถ้าเผื่อมาช่วยเขาได้ก็ช่วยรองดูถ้าไม่รู้ก็แล้วไปไม่ต้องค้นควายรู้หรอกอย่างนี้เป็นต้นนะเจอมาโอ้โหร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ําคนไทยคนฝรั่งคนจีนคนแขกอะไรก็เจอมาเยอะคนไทยเมื่อเจอไอ้คนนี้นะมันใจมันเด็ดจริ ง, จ ร, งจริงใจมันซื่อ ยิ่งทุกวันนี้ปล่อยไม่ได้ก็ยิ่งเห็นฉันิว่าเขาซื้อจริงจริงอ่ะทุกวันนี้ยิงปล่อยไม่ได้ว่า ซ, ซื้อจริงจเออคุจะยืดไ ป, ดไปโอ้ถึงอย่างไรมันก็ เ, อเถอะมันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าคุณจะยืดไปทาําอะไรอ่ก็เอาละคุณก็รู้ดีก็ดีละคุณถนัดคุณชอบคุณเห็นจยากได้สิ่งนี้ในะ โลภด้วยในชีวิตนี้ชาตินี้หรือชาติไห น, นกันแล้วแต่มันบูชาไอ้ความซื่ออันนี้ความจริงใจอันนี้บูชาไปเถอะ <c oughs> คุณทาเอาสิให้คุณเป็นใจอย่างนี้ด้วยบอกให้มันเป็นของเราคนชอบอย่างนี้เอาสิคนหนึ่งเ็าดีกันแล้วคุณจะไปเอามาทำไมไปแบกไปหามาเลยใจเข้ากับคุณบูชาใจใช่ไมคุณไมไ่บูชาอื่น คุณบูชาใจอ่ะก็เอ้าสิคุณก็ทําใจคุณใเป็นแบบนี้สิมันก็อยู่กับคุณเองมันก็จบแล้วคุณก็ไปพึ่งก็ยุงั่นอนะ่ะต้องแตง่งต้องแต่งก็ย่งั้นแล้วก็อีกฉากี่ชาติกันละเว้ยอ๋อาจมาก็ไม่รู้จะสอนอยังไงจะบอกอยังไงพูดก็ไม่รู้เรื่อง น, นี่ถ้าได้ฟังนะี่ถ้าเขาได้ฟังอันนี้เนี่ย ถ้าจะดีเหมือนกันนะจิตนะข้อะโทูก็ทําใจเราเสียอันนี้ดีแต่มาว่าอันนี้มันเป็นธาตุจิตที่ดีมันไม่ใช่เสียหรอกดีมากเลยแหละอะ่โอ้มันเป็นอย่างนี้คุณก็ศึกษาโอ้ก็ทําใจในใจของคนสร้างใจในใจคุณเป็นแค่นี้ก็จบไม่ใช่ว่าจะต้องไปเอาใจคนอื่นหรือเอาอะไรก็แล้วแต่ ไปเอาวัตถุของคนอื่นไปเอาอะไรของคนอื่นจนกระทั่งแม้จะใจหรืออัตภาพอันนี้เป็นอัตภาพอันนึงของเราเป็นอัตภาพเราไม่มีเราอยากได้ก็จะไปเอาของคนนั้นเอาแล้วกันมันไม่ใช่ของคุณนะคุณชอบก็จริงหรือใจลักษณะนี้คุณชอบก็จริงอยู่คุณจะบูชายางไงก็บูชาไป ก็ปฏิบัติแล้วกันว่าจะมันจะได้เ ข, เขาจะได้างน้นจริงๆก็เขาก็ต้องปฏิบัติความจริงมานานมาเป็นชีวิตของเขาแล้วเขาได้จิตตัวนี้นจิตตัวจริงใจซื่อสัตย์จริงใจมันมีเหตุปัจจัยอธิบายอื่ น, นได้อีกเยอะมันจริงอย่างไรยิ่งคบสัมผัสแล้วเกี่ยวของแล้วเขาก็ยิ่งมีความจริงใจมีความซื่อจริงๆเลย ต่างๆนานาอะไรมาเป็นเหตุปัจจัยอื่นๆมาหลอกมาลอ ก, ก็ไม่เปลี่ยนแปลงความซื่อสัตย์นี้เช่นก็บอกว่าเขาไม่ทําอย่างงี้นะเขาก็จะไม่ทำเขาจะหลอดนะ่ะโอ้โหทั้งๆที่ตอนแรกก็หลงว่าทําไมเขาไม่ทำํำก็โกรธก็อะไรด้วยซ้ําไปแต่พอลึกๆแล้วโอ้ยเขาบอกเขาไม่ทำเลยว่าแล้วก็จริงใจแล้วก็ทําได้จริงๆเลยแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยจะไปหลอกจะไปล่ อ, ไปไปลอจะไป ยาไปแย่ไปกระทุ้งกระเทือนไปกระแทกไปยังไงยังไงเขาก็ไม่เปลี่ยนโอ้โหสุดยอดเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> นี่คือน้ำหนักความนิจจังทุวังสัสตตังความแน่นอนมั่นคงในจุดที่ดีของตนเองนีดีเพราะจริงใจและซื่อสัตย์เขาไม่เปลี่ยนแปลงเนี่มันสุดยอดนะ เพราะในอุปทานไปยึดเนี่ยเรายึดได้ทั้งแต่วัตถุยาบไปกระทั่งถึงใจลึกๆที่เป็นคุณค่าที่วิเศษสุดนี่แบบนี้เนี่ยพูดง่ายๆว่าความจริงใจความดีความซื่อสัตย์จริงใจมันไม่ยากเท่าไรมันรู้ได้มันก็เป็นโลกีแต่ความจริงแล้วมันก็เป็นส่วนของโลกุตระเพราะมันเป็นคุณค่าที่วิเศษสุดของจิต แต่โลกุตระจริงๆนี่แม้เป็นอย่างนี้ได้เราก็ม่ยึดเป็นเราเป็นของเราสุดยอดก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ต้องเป็นให้ได้ก่อนถ้าคุณเป็นไปไม่ได้แล้วคุณจะบอกว่าคุณวางวางขี้หมาอะไรของคุณไม่ย่วนสุดยอดแลยจิตของคุณที่ทำยังไม่ได้แล้วคุณก็วางวางวางวางอะไรกันเราเนี่ยพวกนี้พวกมหายาเนอพวกตักกะพวกปัญญาพวก มันไม่ใช่เป็นยาหรืฉลาดเจโกเนี่ยมันรัดพวกเซนพวกเซนหน้าสงสารกินพวกเซนเนี่ยไม่เข้าใจว่าไอท้ที่คนที่เขาโอ้โหเขาเข้าใจตรเนี้เขาบรรลุเข้าใจตรงนี้เขาบรรลุบรรลุเนี่ยพวกนี้ก็มีบา ร, รมีแล้วทั้งนั้นนะทั้งสมบา ร, รมีมาเท่านั้นเหลืออีกจุดเดียวน้ําจะจดนิดเดียวเท่านั้นเต็มขันเลยเขามีมาหมดแล้วเขาก็ได้ นี่เรายังไม่ได้ปฏิบัติมาเลยชักกรตโดดเลยนี่คันยังพร่องอยู่หมดเลยเราจะเอาเอาตรงนี้เอาน้ำหยดสุดท้ายเนี่ยมันคุณไพศาลพื้นมงคลมหาตมะบอกผมอ่านมาจังเลยเนี่ยเรียนมาจังเลยเนี่ยทำไมผมก็รู้ทั้งนั้นเ น, นี่ยไอติพยสัรูเนี่ยทำไมฟังทำแค่นั้นได้โซดาบันทำไม่พมันไม่ได้โซดาบันทึกทีอย่างนี้เป้น อาตมาก็ไม่รู้จะว่าไงเพราะงั้นทุกอย่างจะต้องสะสมเหตุปัจจัยทั้งสิน้นนะสะสมโดยการทาใจในใจต้องรู้จักใจที่ใจที่ใจเป็นสัมภะเป็นปะะัะภะเป็นแดนที่จะเกิดเป็นโยนิเป็นที่นั่นนะที่เกิดโยนิแนะ่ะที่เกิด ตรงนั้นแหละเป็นที่ทเป็นให้การเกิดเพราโยนิเขามาเรียกรูปธรรมเขก็มาเรียกเพศที่ให้ที่เกิดเพศหญิงที่ให้ที่เกิดการเกิดเป็นผู้เป็นคนในานมามธรรมโยนิคือลงไปถึงที่เกิดเกิดของจิตที่เกิดของโอปาปาติกะโยนิโอปาปาติกะโยนิที่เกิดเขาโอปาปาติกะ ที่เกิดตรงนี้แหละจะเรียกอีกภาษาอื่นเป็นภาษาไวยพจน์จะเรียกสัมภ ะ, ะจะเรียกปรภ ะ, ะ, ะอะไรก็ได้เป็นที่เกิดแหล่งเกิดและแหล่งเกิดนี้แหละคุณต้องทำตรงนี้ณนมณสิที่ตรงนี้ที่ใจนี่มณสิกรติหรือการะการการะทาก็ะําตรงเนี้ยตรงนั้นน่ะตรงไหนตรงนั้นคือหะไตยรูปต้องถูกรู้โดยตัวเอง มันจะเกิดตรงไหนเกิดต่อเมื่อมีผัสสะแล้วก็เกิดปุ๊บขึ้นมาเป็นสังขารในสังขาร น, นั้นเป็นวิญญาณในสังขาร น, นั้นเป็นเวทนาวิญญาณคือธาตุรู้องรวมเวทนาก็คือเจตสิกของวิญญาณสังขารเองก็เป็นเจตสิกของวิญญาณ เพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้สัญญาทึ่งเป็นเจตสิกของวิญญาณเองนี่ต้องไปอ่านคนคืออะไรทําไมสำคัญ น, นักเวทนาสัญญาสังขารเป็นเจตสิกสเป็นเจตสิกหมวดใหญ่เป็นเจตสิกใหญ่3า เ, เจตสิก เ, เรีว่าหมวดแห่งเจตสิกใหญ่หมวดส มันจะเป็นการสังขารไม่ว่าจะเป็นการประชุมของการสังขารหมวดเจตสิกนี่มันจะสังขารใดๆอย่างยากกลางละเอียดตั้งแต่กายสังขารจิตสังขารมจีสังขารมันก็ปุงรวมกันอยู่ในนี้หมดเลยเราจะทําอย่างไรก็ต้องตามดูรูปและนามที่เป็นเหตุปัจจัย เขเริ่มต้นท่านสอนตั้งแต่สิ่งที่ถูกรู้โดยญาณโดยปัญญาโดยวิชารู้อย่างมีแสงสว่างรู้อย่างมีดวงตาซึ่งเป็นตัวแทนของตาหูจมูกลิ้นกายจักขุก็คือตัวแทนของตาหูจมูกลิ้นกาย กายนี่เป็นตัวกลางกายนี่เป็นตัวกลางตาหูจมูกลิ้นเป็นทวารที่มีประสาทชี้ชัดคําว่ากายไม่มีประสาทชี้ชัดเพราะกายนั้นคือองค์ประชุมของทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอยู่ทางภายนอกแต่มันคือธาตรู้ที่มีประสาททะลุ กายนี่มีธาตุรู้ที่มีภาษาตรามีราสาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวรวมทั้งหมดเลยของส่วนของอวัยวะนอกตาก็นอกหูจมูกลิ้นนอกกายก็นอกหมดคือผิวที่หุ้มอยู่เรียกว่ากายนอกกายนอกผิวที่หุ้มเนี่ยรวมทั้งตาก็ผิวหุ้ม จมูกก็ผิวหุ้มลิ้นก็ผิวหุ้มแม่อวัยวะภายในมันก็มีลักษณะของมันแต่ละลักษณะมีผิวหุ้มทั้งนั้นตับก็มีผิวหุ้มไตก็มีผิวหุ้มปอดก็มีผิวหุ้มสิ่งที่หุ้มอยู่นันเราเรียกว่าหนังรอบนอกรอบหุ้มองค์ประกอบของการสิ่งหุ้ม ฟังดีๆนะวันนี้จะอธิบายพิสดารมากเพรา ะ, ะสิ่งที่หุ้มอยู่ข้างนอกเนี่ยที่เราเรียนรู้ได้ชัดที่เป็นรูปเป็นรูปที่ถูกรู้ได้เกี่ยวเนื่องติดอยู่กับตัวร่างกายแต่มันไม่มีปราษาทารปมันไม่มีปราสาท คือผมขนเล็บฟันหนังด้วยหนังนี่เป็นตัวกลางบอกแล้ว่าตาก็มีหนังหูเอจมูกลิ้นกายจมูกลิ้นมีหนังหมดกายคืออิทธิหุมหุมมีหนังหมดตับก็มีที่หุม้มไตก็มีหุม้มม้ามปอดไส้ทุกไอที่มันมีส่วนที่เป็นรูปร่างมีอะไรหุ้มหมดทั้งนั้นนะ่ะเล็กใหญ่ทั้งหมดอาการสาิบสอง เพราะงั้นหนังยังเป็นตัวกลางที่เจ้าว่ามันไม่รับรู้ก็ไม่ได้เจะว่ามันเป็นรูปธรรมเฉยๆมันเป็นรูปประรูปก็ไม่เชิงมันก็เป็นรู ป, ปรกายแตเเออ่เล็บผมขนฟันเล็บผมขนฟันเนี่ยมันไม่ใช่กาย เพราะมันไม่มีภาษาทรูุมันไม่รู้สึกตัดมันได้กระทบสัมผัสยังไงมันก็ไม่รู้สึกถ้ามันไปชิดกับหนังเออหนังมันชักรู้มันรู้แต่มันถ้าหนังมันเองนะมันหนาวออกมาสัพอสมควรเนี่ยมันก็ไม่รู้ไม่รู้สึกขัดทิ้งตัดทิ้ง เฉือนทิ้งได้ถานานมากอื่นเฉือนได้ไม่รู้สึกไม่เจ็บแต่ถ้าเจี๊ดเข้าไปเลยนะเนี่ยยิ่งบางอั น, นีนหนังบางบางหนังบางโอ้ยมนแทบจะไม่แทบจะเป็นผิดไม่ใช่ข้างในเลยนะเพราะงั้นในภาษาทรูป ก, กับโคจรรูปรวมกันแล้วจึงเอากก้า เพราะคำว่ากายเป็นตัวกลางท่านถึงนับก้าอิปัสสะมีอะไรรู้ยากนะไม่ใช่รู้กันง่ายๆเดาไม่ได้หรอกถ้าไม่รู้ถึงขั้นสัจจะที่มันเข้าใจว่าเอออะไรเกิดรับรู้สึกที่เป็นอาการของจิตเพราะฉะนั้นจิตมาร่วมกับปลายเล็บนี่ไม่ได้จิตมาร่วมกับปลายผมก็ไม่ได้ไม่ต้องปลายผมโคนผมก็ตัดได้เลยไม่รู้สึกหรอกไม่เจ็บ เล็บก็เหมือนกันขนก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันอย่าไปตัดประสาทก็แล้วกันฟันก็ไม่มีอะไรกลอกเคลไปได้ตัดอะไรก็ได้ถ้ามันไม่ถูกประสาทไม่มีหาอะไรผมขนเล็บฟันแต่หนังเนี่ยมันมันอั น, นั้นเป็นตัวกลางทั้งหมดบอกแล้วว่าทุกแห่งเป็นเหมือนมีที่หุ้มคือหนังหมดนะ่ภาษาไทยเรียกวันหนังแต่ภาษาอะไรเขาก็เรียกว่าอะไรไป เพราะงั้นในโคจรรูปหรือในภาษาทรูปต้องร่วมกันมีสัมผัสเป็นปัจจัยเสมอจึงจะเกิดตัวธาตุรู้ที่รู้ถ้าสิ่งที่เป็นกายกระทบรู้เล็บก็ดีผมก็ดีมันไม่รู้หรอกกระทบมันก็ไม่รู้เพราะมันไม่ใช่กาย เพราะฉะนั้นหนังจริงๆไม่รู้เพราะคนที่ปฏิบัติจิตหรือไม่แต่นอนหลับหนังข้างนอกคุณกระทบไม่รู้เหมือนกันถ้าจริงของคุณเข้าไปข้างในไม่ได้จิตจะรับมันก็ไม่รู้หนังมันก็ไม่รู้คนปฏิบัติจิตจริงๆเก่งๆก็เลยทำให้หนังเนี่ยกระทบไม่ค่อยรู้สึกได้ เอาละมันจะยุตญาตมันจะมีอีกคุณสมบัติอะไรต่างๆมันอีกเยอะไม่ต้องเล่านะเล่าพอทมทวมพอแล้วเ อ, เอาแค่นั้นที่นี้มาพูดถึงการกระทบสัมผัสเหตุปัจจัยในปฏิจจสมบัติทั้งหมดอุปทานคือจิตยุด แล้วมันก็เป็นตัวเ ส, สถียรเป็นตัวสถิตเป็นตัวตั้งอยู่เฉยๆไอตัวอุปทานเมื่อที่อัตมาอธิบายแล้วว่าผลวิบากของจิตที่เกิดแล้วก็ไปกองกองคอกองกองอยู่ที่อุปทานนี่แหละกองอยู่ที่จิตพวกนี้จะเรียกหลายๆภาษาไปเดี๋ยวมันจะปนกันมันจะวุ่นหมดสุดท้ายมันก็ ถ้าเผื่อว่าคุณทําเหตุมาให้มันทําหน้าที่มันออกมาทำํำว่าจะทํำยังไงไม่ให้มันออกมาทำํำว่าวิธีกดกดมันก็กดได้แต่มันไม่ท้าวอมันไม่ได้ทั้งสองด้านมันสายที่นั่งกดกดกดกดกดได้จริงๆก็อยู่ได้นานกันนานจนหลงว่าเป็นการบรรลุแต่ไม่ได้บรรลุเพราะเหตุปัจจัยไม่ครบ อย่างที่อาตมาอธิบายไปก่อนแล้วว่าไอ้เจ้าวิบากจิตไอ้ที่มันไม่ขึ้นมาเป็นอดีตวิบากจิตอดีตวิบากมันก็อยู่ไปแล้วก็ไม่ทำวิบากใหม่ที่เป็นอกุศลหรือจึงไม่ดีอีกไม่เลยไม่ให้มันไปเป็นอาหารไม่ให้มันเป็นเพื่อนไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นอีกไม่ทำอีกแล้วปัจจุบันทุกปัจจุบันไม่ได้ทำอีกแล้ว ไอ้นั่นก็ไม่อยู่อย่างนั้นนะแล้วก็ถูกกำแพงอย่างที่ว่าในกำแพงกุศลคันหนาขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไม่มีวันเลยเพราะว่าเราไม่ทำเพิ่มจิงๆ ง, งสัพพะประสสะกันังเพราะฉั้นพวกเราเนี่ยบาปแม่นิดอยาทำแต่เอาเถอะมันยากก็แบ่งทำจริงๆแบ่งทำไปตรงนี้แบบจำนวนนี้เราจะหยุดมันให้ได้ เราจะไม่ให้มันเกิดกำเริบเราจะให้มันนิจจังทุวังสู้มันสัก่อนไปด้วยจนทั่งคุณเห็นได้ปัญญาเห็นได้ญาณด้วยปัญญาด้วยวิชาจริงๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันโอ้มันตายหมดฤทธิ์ในปัจจุบันมันไม่เกิดอีกเลยในปัจจุบันตั้งหลายแหละมันก็เสร็จไปเป็นเรื่อยๆแล้วคุณจะชำนาญคุณจะรู้วิธีคุณจะรู้เหตุผลคุณจะรู้ผลของมันด้วยว่าโอ้โหมันจริงอย่างงี้มันได้อย่างงี้นี่คือพระเจ้าท่านบอกว่า Uh, จักสุยานปัญญาวิชาแสนสาได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อน <c oughs> <c oughs> คุณเคยได้ฟังที่อาตมาอธิบายอะไรหลายอย่างวันนี้มาอีกหลายอย่างไม่เคยอธิบายเพิ่งอธิบายวันนี้คุณเคยได้ฟังมาก่อนไหมหลายอย่างอธิบายวันนี้อาตมาอธิบายสิ่งที่คุณไม่เคยได้ฟังหรอก ชั้นเดียวกันเนื้อธรรมชาติท่านตรัสพวกนี้จากสุวิญญาณเอจกักุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเนี่ยถ้าไม่รู้ความจริงก็ไม่พูดไม่ออ ก, อกพูดไม่ถูกพูดไม่ได้แต่อัตมาพูดได้เพราะอัตมารู้และอัตมาก็เอามาไขาความจริงๆแล้วมั่นใจว่านี่ไม่ได้ผิดเลยคุณเอาไปพิสูจน์คุณเอาไปปฏิบัติคุณเอาไปทำให้มันจริงเลยคุณจะได้ผลชัดๆจริงๆเลย เป็นจักษุเป็นยานเป็นวิชาแสงสว่างนะมันก็เกิดขึ้นถึงเห็นความจริงว่าอ๋อถ้าเราทำใจในใจแบบนี้ทําสำเร็จโอ้ใจมันก็ไม่มีอุปทานหรือแม้อุปทานมันจะอยู่อย่างที่อธิบายไปแล้วว่ามันจะกองอยู่ใต้อดีตเป็นวิบากอดีตไปเท่าไหร่ไอปัจจุบันนี้มันก็ไม่เกิดทีนี้จะทำให้มันไม่เกิดได้ ก็คือตัวเดียวกันที่บอกแล้วว่ามันอุปทานนั่นแหละมันเคลื่อนไหวขึ้นมามาเป็นตัณหาก็จัดการตัวนี้ทุกปัจจุบันตัณหาเกิดทุกปัจจุบันเมื่อมีเหตุมีปัจจัยก็เป็นตัณหาถ้ามันมีมันก็แสดงอับัตบาทเรากำจัดมันกำจัดมันประหารมันจนกระทั่งมันไม่เกิดกับเราอีกเลย โดยปัญญาเลยโดยพลังงานที่มันฉลาดจนกระทั่งมันรู้คุณรู้โทษสิจบจริงๆเลยมันไม่เกิดอีกจริงๆนั่นคุณได้ทำใจในใจของคุณสำเร็จทำความดับนั้นได้สาเร็จคุณจะเห็นความดับนี้เป็นความดับแต่ก่อนมันเกิดคุณก็เห็นว่ามันเกิดไม่ได้ดาวไม่ได้ไปตักกะ่า เออจิตมันเกิดดับเกิดดับแล้วจิตไหนละมันเกิดดับมาคุณก็ต้องรู้สักกายะคุณรู้อัตตาคุณรู้ตัวตนคุณรู้สิ่งนี้ตั้งแต่มันหยาบมันมีมากจนมันกลางจนมันจางคลายจนมันดับจนกระทั่งทําให้มันดับอย่างนี้แหละรักษาผลจนกระทั่งส่วนอดีตส่วนอนาคตมันเป็นศูนย์ตลอดกาลนานเป็นกตยานมียานที่ยืนยันได้ว่ามันไม่เกิดอีกเด็ดขาดจริงๆ คุณจะตัดสินมันเมื่อไรก็เรื่องของคุณน ะ, ะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าคุณสามารถทำใจในใจได้อย่างที่ว่านี้ท่านก็อธิบายไปหมดแล้วว่าก็ตัณหานี่แหละมันเป็นตัวอริยสัตว์ตัวจริงอาการตัวนี้อย่างนี้ตัณหาคืออะไรทัานจะก็แจกห้หมดเพราะเวลาปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตัณหาหก แล้วตัณหาหนี่แหละมันก็คือตัณหาสามอาการเกิดทั้งตามันสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้แล้วไม่สุขไม่ทุกข์อุเบกขาเนี่ยมันมีทั้งเคหะสิตะและคุณก็รู้จักว่ามันเกิดที่เคหะสิตะจนทำเคหะสิตะอุเบกขามันไม่มีกลายมาเป็นอุอออเบกขาแบบเนคขมมะ เพราะเราเรียนรู้มียามีปัญญาจนกระทั่งเกิดจักสุเกิดยานเกิดปัญญาเกิดแสงสว่างเ ห, เห็นและกระทบสัมผัสอยู่ในทุกอย่างมันก็ไม่เกิดหลดๆเลยมีเห็นมีปัจจัยยืนอย่างชัดๆมันไม่ได้เป็นเรื่องคิดเอามันเป็นเรื่องเดามันเป็นเรื่องตะกะมันเป็นที่เป็นที่เราเราเป็นเราทําใจในใจของเราได้จริงๆเห็นอยู่ชัดๆเห็นความดับอยู่ชัดๆเลย มันคุณทำตัณหาดับมันก็เท่ากับทำอุปทานดับเมื่ออุปทานดับพบมันก็คือพบตอที่มันยุดติดอยู่กับอุปทานนั่นแหละแลวมันก็เกิดมันก็เป็นชาติเพราะฉะนั้นอาการจากนั้นไปสู่กับปริเทวะอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นตัวที่มันจะเกิดมาเมื่อมันดับแบบนี้ไอ้ตัวพวกนั้นก็ไม่เกิดทั้งนั้นตัณหาดับผัสสะมีไหมผัสสะมี แม้ผัสสะเขาก็เรียกมันโดยหลงหลวงว่าผัสสะดับนี่เหมือนกับอย่างในพระติปกเหมือนกับอย่างจุมบาศว่าตัวที่มันดับโอ้อันนี้ดับอันนี้จึงดับอันนี้จะเรียกระดับนาเวทนาดับตันหาดับเวทนาดับผัสสะดับอายตนะดับนามรูปดับอะไรดับจริงๆมันไม่ได้ดับเพราะมันยังเป็เครื่องอาศัยอยู่แต่อุปทานตันหาในตัว อริยสัตว์ตัวกลางทนี้เนี่ยมันดับจริงๆเพราะั้นตั้งแต่ตันหาดับอุปทานดับภพบดับชาติดับโสกับริเทวุปะดับหมดเมื่อไอ้ตัวนี้ดับสิ่งที่มันยังไม่ดับยังเป็นเหตุปัจจัยอยู่แ ล, แล้วเราก็อยู่เนื้อมันตัวนี้จึงเป็นโลคุตระที่แท้อยู่เหนือเบธนามี ความรู้สึกมีเพราะผัสสะอยู่อายตนะก็ยังดีอยู่ตาหูจมูกดิ้นกายใจก็ยังทํางานอยู่เต็มที่เราก็รู้อยู่นามารูปรู้อยู่เนี่ยอาการจิตของเรามันกระทบสัมผัสเมื่อไรมันเกิดเวทนาแต่เวทนาตัวที่เกิดมันไม่ได้มีเวทนาที่เป็นเวทนาที่มันประกอบไปด้วยเหตุเป็นตันหา เพราะเราเรียนมาแล้วเราเข้าใจอยู่แล้วเป็นเหตุทำให้มันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดอาการเวทนาสุขเวทนาทุกข์มันไม่เกิดจริงๆมันทำสาเร็จเป็นอุดเบกขาแบบเนคขมะแลเพราะงั้นสิ่งที่มีอยู่ในโลกเนี่ยจักคุมาปรินุพุโตติเรานิพานแล้วเรามีจักคุมาเรามียาเรามีปัญญาเรามีวิ ช, ชาเรามีแสงสว่างเห็นอยู่รู้อยู่มันหมดลนะ แต่เราก็อุเบกขาหมดไม่ใช่อุเบกขาเคหัสิตะเห็นชัดเจนว่ามันต่างกันอย่างไรเราเป็นผู้รู้ไม่เหลือเศษส่วนของโลกิยะเลยมีแต่โลกุตระลุนล้วนเป็นโลกุตระธรรมลุน้วนไม่ใช่มีโลกิยะเลยชัดเจน เพราะฉะนั้นผัสสะยังมีเวทนายังมีอายตนะก็ยังไม่ได้หูโหนวกตาบอดอะไรไม่ได้เป็นหลบไปหลีไม่ได้ไปหนีไปไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้นามรูปก็ยังเห็นอยู่รู้นามรู้รูปนั่นอยู่วิญญาณก็บริสุทธิ์อยู่สังขารก็ปรุงแต่งได้สามารถที่จะอนุโลมได้สัจจานุโลมิกยานมีพลังมี สามารถที่จะอนุโลมขนาดไหนสังขารุเ ป, ปกขาญาณของเราก็มีตัวเรามีความเฉยต่อสังขารปรุงสังขารได้ขนาดนี้ไม่มีกิเลสเข้ามาร่วมเกิดคุณทำของคุณได้คุณเห็นของคุณได้ของใครเข้ามันเรียกว่าเอโก ของตนส่วนตนทำที่ตนตนนี่ได้เอโกเอโกคำนี้แปลว่าส่วนตนของเราคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครเอโกไม่ใช่ของใครเลยของเราของจริงๆเอโกคำ เ, ะะเอโกนี่เขาแปลแต่ว่าคนหนึ่งผู้หนึ่งเป็นตัวตนบุคคลเราเขาอยู่กันเลยไปกันใหญ่แต่ก็เห็นใจเหมือนกันนะว่ามันไม่ใช่จะเข้าใจได้ง่ายๆ สรุปแล้วเมื่อเราสามารถทำให้ตัณหาดับผัสสะยังอยู่ก็จริงไม่มีตัณหานี้เวทนาไม่มีตัณหานี้ผัสสะเวทนาก็ไม่มีตัณหานี้อยายตนะทั้งหก็ไม่มีไม่มีตัณหานี้นะนามรูปเราก็เห็นอยู่ว่าไม่มีปิ ญ, ญานราก็สะอาดบริสุทธิ์อยู่ สังขารเราก็จะปรุงแต่งได้เท่าที่เราจะอนุโลมหรือไม่อนุโลมมีสัจจานุโลมวิญญาณมีสังขารุปเปฆายานซึ่งได้เมื่อปฏิปสังขานุ ป, ปัสสนาญาณมาจนกระทั่งเพียงพอไอสิ่งที่มันลดได้พวงนี้ก็คือวิชามันขึ้นญาณปัญญาวิชามันเกิดแต่อวิชามันดับ คุก็เห็นความดับของอวิชชาที่ผู้นี้พอเข้าใจพอมองออกหรือใครมีสภา ว, ว่าไม่เอออวิชชาเรื่องนี้เราดับจริงๆถ้ามีวิชาอยู่เนื้อมันเป็นวิชาที่แข็งแรงวิชาที่มันเป็นวิชาโล ก, กุตระเลยมันไม่มีสิ่งสงสัยอะไรเลยมันชัดเจนจริงๆเพราะเราก็เห็นวิชามันเกิดเห็นสังขารมันเกิด แล้วจะเป็นสังขารอะไรสังขารบริสุทธิ์เป็นอภิสังขารยิ่งทรรมจึงยิ่งเป็นอเนนชาพิสังขารเพราะอเนนชาพิสังขานั้นมันปรุงแต่งโดยการมีวิชามีสัพพฤษธรรมมีมหาประเทศ มีความรู้รอบทุกอย่างเลยที่จะทําอะไรก็แล้วแต่กรรมกริเยสทุกอย่างมันมีแตะกุศลมันไม่มีกิเลสเกิดมันไม่มีบาเกิดเลยสัพปะปะภาษากระนังตลอดมีแตะกุศลเป็นตลอดพมันสังขารจึงอนเนิชายกนินชาที่อัตมาอธิบายแล้วมันมีตะกุศลกุศลเป็นอะไรกําแพงเหล็กอะไรผนังทองกับ เพราะนั้นทองแดงกําแพงเหล็กไปเรื่อยเต็ไมไปด้วยกุศลนี่มันกลายเป็นผนังทองแดงกําแพงเหล็กไปเรื่อยเรืยเยเป็นตัวกัน้นตัวขั้นสิ่งไอ้พวกนั้นมันเกิดไม่ได้ไม่ใช่ไปกดคมแต่กุศลต่างหามันตกผลึกเป็นผนังทองแดงกําแพงเหล็กที่หนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นเพราะเราทําแต่อันนี้อย่างกุศลนี่ถึงพร้อมตลอดกาละนานแล้วก็ไม่ให้อาหาร บาปหรือกิเลสให้แก่ไอตัวที่มันเราป้องกันมันได้ด้วยปัญญาแล้วไม่ใช่กดข่มแต่ถือว่ากำจัดเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทำอะไรให้ตายไม่ได้ทำให้สัตว์ตายแม้แต่กิเลสลิกไม่ได้ทำให้ตายที่จริงอะแต่เรามีวิธีอันสุดยอดที่พระพุทธเจ้าท่านประทานมา เคยได้ฟังไหมไอ้อที่พูดอย่างนี้ใครพูดในฟังนี้เคยได้ฟังไหมเข้าใจปาโอโหทําไมฉลาดกันขนาดนี้เฮ้อมันไม่ใช่เรื่องตื้นตืต้นมันไม่ใช่เรื่องคุณจะหาฟังได้ง่ายนะคุณไปหาไปในมหาวิทยาลัยในโลกนี้มีกี่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทางาศาสนาก็ได้ไปจุฬาจาชวิทยาลัยไป มห า, มากรุณาธิปไตยก็ได้อะขออภัยที่พูดอวดตัวอวดตนใหญ่เกินไปเดี๋ยวอธิการบดีใครตะใครเขาอาจารย์ใหญ่หญเขาตโนนเขาไอ้นี่มัน พ, พยองมากไปแล้วนะคนนี้เนี่ยมันขมที่ได้ดูถูกกลาดคนนั้นคนนี้ก็ไปหมดเลยขมเง้อหมดเลยขออภัยพูดไปแล้วก็ไม่รู้ทำไงเอาอยางลบๆก็ไม่รู้จะลบยังไง เอาลิขิดลบก็ไม่ได้พูดไปแล้วไอ้คำพูดที่พูดไปแล้วมันเป็นนายเราซะเลยนะตอนนี้มันกลายเป็นนายเราไปซะแล้วพอพูดไปแล้ว น, <c oughs> นี่วันนี้อธิบายอย่างพิสดารในฟังเพราะการทำใจในใจของเราเนี่จึงทำใจจริง อาตมาหยิบมูลนสููมสรมาอธิบายสู่ฟังเป็นหลักใหญ่ๆต้องมีฉันทะเป็นมูลต้องมีความพอใจยินดีเฮ้ยส9บเก้าสาสบหแล้วนาฬิกานี่เทิรไม่ได้เลยเมื่อกี้เขาไปกินา 24, นาทีอะคอสชอะยิบสี่ยิบห้านาที อาตมาก็เลยไปนิดเดียวงั้นนะ่ะสามสิบหกสามเ็เลยยี่หาไปนิดเดียวเองงั้นนะอ่ามันก็ต้องทุ่มอาตมาถือว่าอาตมาเอายี่สลบมันถ้ากระทุ่มเสร็จๆใช่ไหมมันก็เลยไปประมาณส0บนาทีหนาทีสินาทีประมาณนั้นอาจจะต่อหรือไม่ต่อเอา้าไม่ถามเหออ เอาใครจะถามยกมืออ่ะใครจะต่อยกมือโอ้อยกระชัน้นตกลงกันอุตสาห์เป็นหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยมันล้มหลักเกณฑ์เองนะพระคุณล้มเองนะอย่าหาอาอตมาล้มหลักเกณฑ์นะอะได้ได้ได อย่างมูลสูตรเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไม่มีฉันทะมันไม่มีอิทธิบาทเป็นตัวแรกของอิทธิบาทหรือเป็นตัวสำคัญมากเลยในแม้แต่ในสุริยปยานสูตรสิ่งต้นทางที่จะต้องได้มาก่อนจะมีมรรคองแปดก่อนจะทำมรรคองแปดได้คุณต้องมีปัญญาคุณต้องได้สิ่งเหล่านี้ก่อนมิดีสหายดีมีฉันทะมีศินอ่า ดูบนชันทะตัวที่สาะเออชันทาตัวที่สมีมิตรมีดีมีศีลมีสันทะศตี่สถ้าไม่มีชันทะยากนะเพราะฉันธาตุเป็นตัวโดยเฉพาะอิทธิบาทมันเป็นตัวต้นทางของสิ่งที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์พลังกระทําพลังประพฤติพลังขยันอย่างไม่รู้ตัวเลยชันทะเพราะงั้นผู้มีอิทธิบาทเต็มแล้วเนี่ย มันไม่รู้หรอกว่ามันขยันคืออะไรคุณยังไม่ตายเรียกว่ามีอายุหะไปเครื่องแสดงมีอัดอิธิบาทเป็นเครื่องแสดงคุณยังไม่ตายคุณยังมีอายุอยู่เพราะงั้นผู้ที่เป็นอย่างพระอาหารหันต์ขึ้นไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าโอ้ท่านมีอิทธิบาทท่านอิัตะวิริยะจิตตะวิมังสา ไม่ชันทะจริงๆในปนคนอื่นนึ่โอ้โหทาได้ยังไงวะไม่หนายไม่เหนื่อยไม่เบื่อไม่หงุดไม่งิดไม่อะไรไอะไรนี้เป็นต้นเพราะฉันทะเนี่ยจึงเป็นตัวสําคัญมากเลยที่จะนําให้เกิดอะไรถ้าไม่มีตัวนี้นําต้นนะยาก พ, พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าต้องมีฉันทะเป็นเขาเป็นมูลมีชันทะเป็นมูลกาต้องเป็นต้นทางจริงๆเลย เมื่อมีฉันท่าแล้วทำยังไงต่อก็คือมณสิการนี่แหละนี่โยนิโสมณสิกานี่ต้องทำให้เป็นโยนิโสเพรวะคุณต้องศึกษาโยนิโสด้วยต้องสายไปถึงที่เกิดทำที่เกิดดิเนี่ยทำให้มันเปลี่ยนแปลงจากมันเกิดอยู่ให้มันดับถาวนททำอย่างนี้ตรงนี้มณสิการแล้วต้องรู้หะไทยรูปรู้ที่เกิดนะ อธิบายรูปที่8ดต่อเมื่อคุณต่อจากมูลสูตรเนี่ยเมื่อคุณรู้ที่เกิดเมื่อคุณมณสิกานเป็นเวลาปฏิบัติคุณก็มีผัสสะเป็นสัมผัสเป็นสมุดไทยเวลาปฏิบัติต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยเพราะเพราะไปมีสมุดไทยเป็นสมุดไทยในมูลสูตรนี่แหละเมื่อมีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วกึงจะเกิดวิญญาณให้คุณได้อ่านจึงจะทัตะลุยก็้าปในวิญญาณทั้งหมดเลยทั้งขันสาม เวทนาสัญญาสังขารสี่เป็นหมวดของเจตสิกสาที่จะต้องเรียนมันจัดการกันมันก็คือตัวนี้แหละมีเท่านี้แหละซึ่งแยกเป็นนามมารำก็ขยายไปแล้วว่ามีเวทนามีสัญญามีเจตนามีผัสสะมีมณสิการเพราะฉะนั้นสังขารก็คือกระบวนการของเจตนาผัสสะมณสิการนั่นเอง เวทนาสัญญาแล้วก็กระ บ, บวนการของสัสงขารก็คือเจตนาผัสสะมนสิการเมื่อไปกระทบสัมผัสเป็นเหตุเกิดรวมลงสมมสรณาที่เวทนาเมื่อเกิดเวทนาอารมณ์ต่างๆขอผ่านซ้อนไม่หมดแล้วอารมณ์ร้อยแปดเวทนาร้อยแปดแยกมโนโปิจารณ์ออกทานั่นนะคือการทําใจในใจทั้งนั้น จัดการเคหสิตาให้เป็นเนคขม้ให้จบเป็นโพชชงตัวอุเบกขาโพชสัมโพดชงให้ถึงที่สุดหรือเป็นฌานถึงอุเบกขาฌานที่สี่ตัวอุเบกขาเป็นฐานนิพพานเป็นตัวพื้นฐานเบสิกของนิพพานทาวรก็ตัวนี้แหละสั่งสมลงไปนี่เป็นปัจจัสุทธาประโยชนาตาโมทุกกรรมบัญญาณอยู่ตัวนี้แหละสุดยอดแห่อองอเนญชาก็ตัวนี้แหละ เพราะฉะนั้นในกระบวนการในมูลสูตรเนี่ยฉันทะเป็นมูลมณสิกการเป็นแดนเกิดผัสสะเป็นสมุดไทยเหตุเกิดในการปฏิบัติเสร็จแล้วรวมลงเวทนาก็จัดการมณสิกการในเวทนาในเวทนานี้จนกระทั่งมันเกิดสมาธิสรุปก็คือเกิดอุเบกขาเกิดฌานสี่เกิดอุเบกขาเป็นแกนเป็นฐานยังลง แล้วก็อนเนีชาไปเรื่อยอภิสังขารไปเรื่อยอนเนีชาไปเรื่อยก็เกิดปณิสุตตาประโยชน์ตามมุตุกรรมปัญญาประสระเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนคุณเป็นสมาธิเป็นปามกเป็นตัวประธานตั้งมันสติก็เก่งปัญญาก็เก่งจเจริญขึ้นตลอดเวลาเป็นอธิปไตยเป็นยอดอำนาจเป็นตัวที่เป็นอุตรสติเป็นอธิปไตยปัญญาเป็นอุตระ จุดๆดยอดจนเต็มคุณก็เรียกมันได้ว่าวิบุทจบแก่นสารสาระก็กลายเป็นอมตะบุคคลเกิดก็ได้ตายก็ได้เพราะรู้เกิดรู้ตายจริงๆโดยเฉพาะเกิดตายขั้นประมิแล้วของเรา ของใครมาพูดทำได้แล้วเป็นเอกกัคตาเป็นของตนชัดๆจริงๆอาจบมูลสุดยังไม่ปรินิพานเป็นปรโยศานไม่ต้องต่ อ, อถึงอมาตะแล้วนิพานเป็นปรโยศานก็ไม่ต้องต่อมาพูดถึงรูปทีนี้ เวลาปฏิบัติแล้วคุณต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเลยแล้วจัดการสิ่งที่ถูกรู้นั่นก็คือจิตเจตสิกรูปนิพพานทั้งนั้นนะสิ่งที่ถูกรู้คือรูปตั้งแต่รูปหยาบก็ไม่เห็นปัญหาอะไรจนกระทั่งทังนามาทำละเอียดละเอียดขึไปเมื่อคุณมีตาหูจมูกดินกาย ห้าตะวันต้องมีใจร่วมเสมอแล้วก็มีโคจระหรือวิสารรูปอีกห้ารูปรดกึ่งเสียงสัมผัสเมื่อเกิดสองอย่างนี้ทำงานขึ้นมาสัมผัสกันเกิดขึ้นมามันก็เกิดวิญญาณในคนรู้คุณก็หาวิญญาณให้ได้มันเกิดอยู่ที่ไหนที่นั่นแหละอุบมหัตยรูปมันไม่ได้มีสถานที่ แต่มันก็เกิดให้เรารู้ได้ไม่มีสถานที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างมันเป็นภาวะเมื่อมันสัมผัสกันเกิดปับ๊บมันก็เกิดถ้าอาวิชชามันก็ปรุงเป็นสังขารถ้ามันกำลังที่จะสังขารนั่นแหละเราเรียนกำลังจะเรียนรู้สังขารแล้วก็จับตัวมันได้ ปริสิณสีคืออินรีของเอก บ, บุรุษอินรีชนะไม่ต้องไปพูดถึงว่าผู้หญิงผู้ชายเพศคนผู้หญิงคนผู้ชายจะต้องเสมอพ่งเสมอภาคมันไม่มีหรอกเสมอภาคในสัจจะในโลกสัจจะที่เป็นปรมาตรสัจจะมันมีสองสภาพคือสภาพอิทธิกับสภาพอิทัตตะกับปริสัตตะ อาการก็เป็นอินทรีย์ตัวตนก็เป็นอัตตะอิทธ ต, ตะกับปุริสตะเมื่อมันเกิดอาการก็เป็นอิทธินทรีย์อาการของปุริสินทรีย์เพระะาะลักษณะของอิทธิเป็นนา ม, มาทำแล้วนั่นเป็นอาการที่ยังไม่จบอิทธิอิทธินทรีย์อิทธิภาวะถ้าเป็นปุริสภาวะคือจบ แต่มันจะไม่จบมันก็จะต้องสลับไปสลับมาอิทธิภาวะกับปุริสภาวะเนี่ยเป็นอาการที่นั่นแหละตักกะวิตตะกะสังกะปกะักอ ป, ปนาพยพปนาเจตโสพิรนปนาส่วนของอัปนาพยพปน า, ปนาเจตโสพิเนโรปนาเนี่ยคือเป็นตัวตั้งตัวนี้เป็นตัวตัวจอนพลงานจาระนะอันนพลังงานศนะัก สังเคราะห์กันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเพศชายเพศหญิงเป็นตัวไหนแน่ไม่ได้บอกอะไรไม่ได้มามันจะสลับกันไปสลับกันมาที่ยากแก่การกำหนดเพราะปุริสินสีก็เป็นทั้งอัปปนาพยปนาเจตโสเป็ัวปนาเป็นตัวที่แข็งแรงมั่นคงตั้งมั่นเป็นทั้งตัวปัญญา มันสลับช่วยกันไปช่วยกันมาช่วยกันไปช่วยกันมาจึงเกิดภาวะช่วยกันไปช่วยกันมาอาตมาก็ไม่เก่งกว่านี้อธิบายให้ดูเก่งกว่านี้ไม่ได้พอเข้าใจเท่านั้นนะเนาะเอาแค่นั้นก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเก่งกว่านี้วันหลังอธิบายได้มากกว่านี้ก็จะอธิบายสู่ฟังผานภาวะสองภาวะรูปเป็นอิตินรีกับบริสินรีนี้ไป ไปหาทายรูปจากาทายรูปมาหาชีวิตตินสีหรือชีวิตรูปเป็นชีวะเป็นชีวิตคืออาการชีวะของสัตว์สัตว์ในชีวิตจิตเนี่ยสัตว์โอปปาติกะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าสัตว์ตั้งแต่ไปสัตว์อบายมันยังมีนะมีอาการนะมันยังไม่ตายนะทำให้มันค่อย เล็กลงเล็กลงเบาลงเบาลงจนจะขาดใจจนกระทั่งมันขาดใจได้ก็มันดับอาการชีวิตของสัตว์สัตว์ทางนามธรรมเป็นโอปปาติกะสัตว์คุณก็ทําคุณก็รู้จักชีวะชีวิตมันเกิดคืออะไรมันตายคืออะไรชีวิตตายคืออะไรจนมันหมดแรงแล้วมันหมดอินทรีย์ หมดพลังไม่ไม่มีมันมีอาการไม่มีแรงไม่มีฤทธิ์ไม่มีบทบาทไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วซึ่งคุณต้องรู้ด้ยญาณทั้งนั้นเลยอยู่ด้วยปัญญารู้ด้วยวิชาจริงจงอ่านมันออกเพราะเรารู้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ชีวิตตะหรือวอินทรีย์ของชีวิตมันคืออันนี้ อ่านออกเรามียานอ่านออกถูกรู้โดยยานของเรามันเกิดเมื่อไรโอ้นี่ยมันยังเหลืออยู่นี่นึกว่ามันตายแล้วมันยังเกิดอยู่เนี่ยนึกว่ามันตายแล้วเนี่ยมันก็ยังาฟื้นนึมาอยู่ยังแหมนึกว่ามันตายไปหายเป็นนานนึกว่าตายสนิทยังฟัด อ, อีกปัดโทคนก็พยายามต่อไปให้มัน เมื่อรู้ชีวิตตระรูปแล้วคุณดับสิ่งในสัตว์ตัวไหนตัวยาตัวชีวิตของสัตว์ตัวไหนคุณฆ่าตายไปแล้วตัวตายก็คือตายตัวเกิดก็คือเกิดเพราะฉะนั้นตัวที่เกิดนี่แหละคืออาหารคือสิ่งที่อาศัยไม่ใช่ว่าคุณดับ แล้วก็เลยไม่มีอะไรอาศัยเลยไม่เหลืออะไรเลยมันไม่ใช่มีสิ่งที่อาศัยอาหารเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามันจะพระพุทธเจ้าเราพกอาจารย์แต่พระพุทธเจ้าก็ว่าไว้ก่อนอาหารนี่ไล่มาแต่กวลิกรอาหารก่อนเพราะง้ก็ต้องเข้ามาสู่อาหารสี่ กาวลิงกะอาหารอาหารในคำข้าวเกิดผัดสะอาหารเมื่อไหรคุณเรียนได้และคุณก็อ่านเวทนาในอาหารได้และคุณก็อ่านตัณหาในอาหารได้เพราะวิญญาณของผีอยู่ในอาหารมีไหมโอ้ลองเป็นเสียงเดียวกันเลยนะ ในอาหารสีนี่แหละเรียนรู้ชีวิตินทรสีของมันแล้วก็คาชีวิตนั้นเสียจนดับเราก็เห็นความตายหรือความดับมันเกิดก็รู้มันเกิดมันจนกระทั่งนึกว่าตายแล้วยังสังกุปปังโอโหมันยังฟนอีกเว้ยมันยังกำเริบอีกเว้ยคุณก็ต้องรู้ของคุณวมันเออมันกำเริบ ก็ต้องทำต่อไปไม่ประมาทคนที่จะรู้สัจพวกนี้แล้วก็เห็นจริงคุณจะไม่มีปัญหามากหรอกเพราะว่าฐานที่พูดขนาดนี้ที่อาตมาเล่าสู่ฟังเนี่ยไอ้คนที่จะรู้จักตัวที่มันนึกว่าตายเนี่ยไอ้นี่ไม่ใช่เรื่องของทางฤาษีนะสายฤาษีเนี่ยมันเกิดมาแล้วไม่มีไม่มีปัญญาจะทำอะไรกับมันสายฤาษีเนี่ยถ้ามันเกิดมาแล้วบ้าลูกเดียวทาอะไรไม่ได้หรอก ทำไม่ได้มิเตกลบเกินไปไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไปทำอะไรอะไรเวสโกอะไรโกอ ะ, อะะไอโกอทุกวันนี้อายุหกสิบแล้วจังเบสิกนะนีะ่สุโออะไรนะ่ะเขา อ, อภัยที่กล่าวชื่อเขา คือมันไม่ได้ดับมันมันก็ขึ้นมาแล้วก็ประกบเกินไปบอกก็ยังจะสอนธรรมะไม่ขึ้นหรอสอนไม่ขึ้นหรอกยิ่งอัตมาประกาศธรรมะของทางสายนี้สายน้นไม่มีทางโงหัวขึ้นหรอกยังมาหลอกชาวบ้านก็ให้ยากเลย เ, เลสพลโรเกยิสุกให้กิเลสอ้วนไปเถ อ, อะอเมื่อเรารู้อาหารสี่ แล้วก็เรียนรู้ชีวิตที่มันอาศัยอยู่ค่าชีวิตจนหมดชีวิตจินรีได้ดับจนมันว่างเพราะฉะนั้นคุณทาตัวใดคุณก็ทําในปริเฉ ท, ทรูปทั้งสิน้นคือรูปที่กำหนดมาทำนะปริเช ท, ทับแล้วว่าตัดตัดเอาส่วนหนึ่งมาใช้ปริเช ท, ท, ท, ทับแล้วว่าตัดตัดขาด มีกรอบปริเชททะมีละกรอบนี้ขนาดนี้โซดาก็เอามันขนาดนี้จนมันว่างจนมันเกิดอากาศสถาธท่านเรียกแต่แค่อากาศสถาธที่จริงก็ตรวจหมดเลยอากาศวิญญาณอากินจันในวสานาัสัญญานาัญญายตนะแล้วก็มาถึงตรงนี้ท่านก็มาเรียกอากาศเท่านั้นเหมือนกันอัปปนาพยปนาเจตสโภพโนปนาท่านก็มาเรียกที่อัปปนาอะไรนี้เป็นต้น นะหรือไม่ไต้ต ก, กะพิต ก, กะสังกปะก็มาเรียกกันที่ตั ก, กะนะเมื่อสามารถที่จะทำให้เกิดจิตจบว่างปราศจากกิเลสนะคุณก็สามารถทำส่วนตนทั้งหมดเลยไม่ว่าหัไทยรูปชีวิตรูปอาหารรูป ปริเชทรูปคุณสามารถทําสําเร็จหมดจบคุณก็เหลือแต่วิญญาตรูปอีกสองและเหลือวิการรูปอีก5 5นั่นก็คือสาท่านนั้นมันวิญญาต ร, รูปอีกสองมันเป็น5มันซ้อนกันอยู่คล้ายๆกันกับประสัดธรูปกับโคจรรูปนะเป็น9อันนี้ก็หักออกสองันนั้นหักออกหนึ่งมันจะซ้อนกันอยู่เป็นอาการแทนที่จะกลายเป็นอาการทางนอก วิญญัติรูปข้างนอกก็คือรูปที่มันเกิดท่านัตจากขีตะวะทิตะรวมกันทั้งหมดเลยส่วนกายกายวิญญาตเจนี้วัจจีวิญญาตมันก็คือมีแต่ขีตกวาทิตะส่วนในอีกสองนั้นหมดมโนวิญญาตอีกสองอนนันเป็นท่าทีลีลาที่เราเรียกเป็นสังขารของมัน เป็นกายสังขารภายในกับวัจีสังขารภายในเป็นวิญญาตรูปกายวิญญาติกับวัจีวิญญาติอยู่ข้างในกายสังขารกับวจีสังขารซึ่งกายสังขารนนี้เป็นกายยวิญญาณกายสังขารนนี้เป็นกายยวิญญาณเป็นธาตุท่าทางของวิญญาณลีลาของวิญญาณองรวมกายยวิญญาณเพราะวิญญาตารูป สองอันนี้ก็คือลีลาเหมือนกันกับข้างนอกแต่ว่าอันนี้มาของนามของมโนมโนวิญญาตเพราะฉะนั้นในวิการรูปห้าเนี่ยคุณจะรู้จักคุณทำอย่างละหุได้คุณทำอย่างมุตุตาได้คุณทำอย่างอะไรก่อน กำมั ญ, ญาตาได้ระหุตาเนี่ยคุณปลา ป, ประมาณแล้วให้มันเกิดอย่างนี้เท่านี้แหละหนักสุดแรงสุดแต่คุณจะต้องเป็นน้ำหนักเบานะไม่เกิดกระทบกระแทกกระเทือนใครไม่กระทบตนไม่กระทบท่านเบาระหคุณต้องใช้มัดตัญอยูตาประมาณให้ได้อย่างนี้ มุทุตาทำให้ได้มุทุตาแปลว่าจิตหัวอ่อนคุณจะเอาอย่างนี้คุณก็ต้องทำให้ได้อย่างนี้ดัดได้ปรับได้เมื่อคุณทำละหุตาสำเร็จทามุทุตาสำเร็จคุณก็เอามาใช้เป็นกรรมญญาตาเป็นการงานที่เหมาะควรเป็นการงานที่เหมาะที่สุดที่คุณจะ สังขารปรุงแต่งเป็นอภิสังขารออกมาช่วยโลกทำงานอยู่ข้างนอกตนก็อาศัยไปในสังขาร น, นั่นแหละในการทำงานนั่นแหละเป็นกรรมัญญาตเพราะงั้นนี่คือการะรูปการะแปลว่าการงานวิแปลว่าวิเศษเพราะการงานวิเศษทำงานด้วยองค์ห้าของวิการะรูปเนี่ยนี่คือตัวปรากฏของพระอรหรันตุกอง ตัวเป็นอยู่วิการรู้ด้วยวิการรูปมีละหุตามีมุตุตามีกรรมัญญาด้วยการคำนวณรู้ประมาณในเรื่องของมโนวิญญาตแล้วอันสุดท้ายคุณรู้ความเกิดความดับอีกรู้อุปัชชะรู้ชรตาชรตาก็คือตัวเสือ่อมตัวไปหาดับ ปัจจัยคือตัวเกิดเพราะาพลังงานที่มันเริ่มเกิดคุณก็เข้าใจแล้วว่าจะให้มันเกิดยังไงจะให้มันเกิดเท่าไหร่คุณเป็นอมะตะบุคคลนี่คุณจะรู้พวกนี้หมดตัวเกิดตัวดับและคุณก็จะรู้ตัวต่อสันตติตัวต่อระหว่างเกิดกับดับคุณก็ทําตัวต่อหรือตัวปันกลางตัวกลางสันตตินี่ขนาดที่คุณประมาณได้คุณก็อยู่กับตัวนี้ อันนี้เป็นฐานอาศัยของตัวลักษณะรูป4ี่เป็นฐานอาศัยของตัวส่วนวิการรูปหนึ่งเป็นลักษณะที่คุณทำงานอยู่ถ้าจะว่าไปแล้วลักษณะรูปคืออปปนาพย ป, ปนาเจตโสพิโรปนาส่วนวิการรูปนั้นคือตกะวิตากะสังกปะหรือวิการรูปคือ kinetic energy ส่วนลักษณะรูปนั้นคือ p energy จบรูปยี่สิบแปดสองทุ่มโอ้ไม่คิดจะถามเลยนะอะไรนะรูปยี่สี่ถูกแล้วสี่อาจจะมาพูดอะไรเมื่อกี้ก็ถูกแล้วรูปยี่แปดกันบวกกับดินน้ำไฟลมอีกสี่มันไม่ขาดกันนะ ดินน้ำไฟลมคุณไม่ได้อยู่ด้วยหรอโอ้แล้วกันร่างกายคุณก็มีดินน้ำไฟลมคุณจะหนีไปไหนก็มันหนีดินน้ำไฟลมไม่ได้หรอกนะหนีไปอยู่ในรูในเลี้ยวในเหวถ้ำบึงที่ไหนก็จไปอยู่เลยก็หนีดินน้ำไฟลมไม่ได้ที่ไหนก็ต้องมีอยู่ในองค์ประกอบของรูปนามองค์ประกอบของกายของเราเพราะฉะนั้นแทนที่จะหนี เราก็เรียนรู้มันแล้วก็อยู่เหนือมันเลยของพระเจ้าที่สุดยอดอยู่เหนือมันเช่นนี้นะอา้าใครจะฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหวันนี้ได้ฟังอะไรใหม่ๆนี่ใหม่ไห ม, มเยอะเลยนะเยอะเลยยังมีอีกนะไม่ใช่หมดเท่านี้หรอกเรียกว่าจตมา หมดเนื้อหมดตัวแล้วเหรอเศษฐีนะม่นรู้จักเศรษฐีซะแล้วแต่เศรษฐีบรรนอกกระจัดกระจายอา้าวทีนี้ใครจะสรุปข้าไม่ถามก็สรุปหรือใครจะถามบ้างก็เชิญอีกเมื่อกี้ให้ยีนาทีอา้าวสองทุ่มยีแล้วเมื่อกี้เท่าไร 24, า 24, 25, า 30, หร่24่สิบสี่ยี่สิบหอา30ามสเลยอา มันนี่ยีบสองนาทีแล้วยี่สบนาฬิกาสองนาทีอันนั้นห้าก็ไปอีกยีห้านาทีอสรุปคารวาสให้สิบห้าเอาสิบเจ็ก็ได้ขอการครับพ่อครูครับเจริญนำพี่น้องทุกคนครับอดรนทนไม่ได้คนเนี้วันนี้ วันนี้ผมรู้สึกประทับใจมากเลยในการที่พักตรทูจำแนกแจกของใหม่ให้ฟังจนยากที่จะสรุปนะครับออกมาสรุปบหมปัญญาที่จะสรุปแต่ว่าผมได้สังเคราะห์กับสิ่งที่ผมได้ศึกษาค้างเอาไว้คือเมื่อก่อนนี้ผมยังสงสัยว่ามิโม8ในข้อที่สองอ่ะมันมีตรงไหนมั่งที่จะบอกว่ามันเป็นลักษณะของกาย พอมาคิดพิจารณาทั้งที่ฟังวันนี้แล้วก็ประมวลเข้ากับสิ่งที่ไ ป, ไปศึกษาด้วยตนเองมามันมีอยู่ตรงนี้เองครับพ่อท่านครับอำว่ามา <c oughs> คำว่าอัจฉริยกับพ่อจิธานั่นเองครับเป็นออคําเฉลยว่าเออนอกและในใช่นี่คือกายถึงแม้มในพระไตรปิฎกจะไม่ได้บอกว่ากายเลยแต่เราก็พยายามที่จะศึกษาแบบแยกว่าทําไมจึงต้องเอา อัชตังขึ้นก่อนอัชตังนั้นหมายถึงสิ่งที่เป็นภายในก็คือไม่ได้ไม่ได้หมายถึงภายในที่มองไม่เห็นนะครับภายในที่อยู่ติดเนื้อหนังมังสาเรานี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละคืออัชตังแล้วมันขาดไม่ได้กับสิ่งที่จะอยู่ข้างนอกก็คือประหิตทธาก็ได้แก่สิ่งที่เป็นคู่กันกันกบตาก็คือรูปคู่กับหูก็คือเสียงกลิ่นรส สัมผัสสิ่งเหล่านี้แม้ว่าจะไปอ่านเจอพระสูตรไหนพระสูตรไหนนะครับก็จะมาสัมพันธ์น ก, นกันกับเรื่องรูปนอกรูปในทั้งนั้นเลยแม้แต่บัดนั้นได้อธิบายเมื่อสักครู่นี้อุปทายรูป24ขึ้นต้นมาก็ภาษาทรูปและโคจร ร, จรรูปเลยภาษาทรูปก็คืออัจฉริยังนั่นเองก็คือกายภายในสัมพันธ์กับ โจรรูปก็คือสิ่งที่อยู่ข้างนอกแต่วันนี้ผมประทับใจมากเลยที่พระท่านค่อยๆแจกสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่ให้ฟังเปรียบเทียบแม้แต่กระทั่งอะไรละ่ะที่เป็นกายวินยตติวิ ญ, ญัตกาลารูปวิกาล ร, รูปลนะ่ะเปรียบเสมือนตัวที่เป็นตะกะวิตะกะแล้วตัวสุดท้ายลักนารูปอีกสี่ ก็เปรียบเสมือนตัวที่มันปักมั่นสิ่งเหล่านี้นับนับว่าเป็นวาสนาของพอเรานะครับที่ได้ฟังครับเพราะว่าผมอยู่ในตั้งแต่เป็นหนุ่มอ่อนอดมาอดออนมาไม่เคยได้ยินอย่างนี้มาก่อนนะครับสาธุครับครับกับข่าวอากครับอมันต้องปีนบันไดฟังอ่ะเนาะก็คือกานเข้าใจที่สูรเรียนทำพูดอ่ะ ผมไม่เข้าใจทั้งหมดนั่นแหละก็คือเข้าใจว่าตนเองไม่เข้าใจก็มันจะฟังได้เข้าใจได้บางส่วนก็คือเรื่องกายภาคพิสดารเนาะไม่ไม่ไม่เคยได้ยินก็มันมันมันที่พ่อครูพูดมายาวเหยียดอะเรารู้แต่เรายุ่าๆว่ามัน มันสอดคล้องมันเป็นสมังคีธรรมไม่มีข้อขัดแยง้งอันนี้คือความรู้สึกของขอาตมาว่าจะถามเหมือนกันของอ้าวผู้ประกอกรของความความที่เราไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่เราสัมผัสได้ว่าเออมันมันมันไปทิศทางเดียวกันออันนี้คือคือโฮมน้อยอ่ะเนาะมันก็เข้าใจอย่างนี้ไปก่อนเ อ, อส่วนมากก็จะตะไว้ก่อนทั้งนั้นเลยว่าเอออันนี้ยังก่อนนะอันนี้ยังก่อนนะอย่างเงี้ยว่าเข้าใจไม่ได้ แต่อันไหนที่เราเข้าใจได้ก็ก็มีใหม่นะครับอย่างเล็บขนฟันหนังที่ประสาทสัมผัสรับรู้ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ใจเต้นตุมต้มตุมต้มตุมตุมต้มเหมือนนะว่าเอ้ยอยังไม่เคยได้ยินไว้โอ้ตกใจนะว่าว่าเหมือนเราไม่เคยมีเงินล้าน่ะคนมาให้ร้อยล้านอย่างเงี้ยโอ้นอนไม่หลับแน่คืนนี้อะไรอย่างงี้นะครับ <laughs> ก็ประมาณนั้นทีนี้คําถามเรื่องเรื่องเรื่องกายนะครับ ผ ม, ผมเข้าใจอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะมีแง่มุมที่เขียวบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะกายในกายของกายนอกเกิดจากเกิดจากองค์ประชุมของปัจจุบันขณะกับกายในกายของกายในเป็นเป็นเวทนาขององค์ประชุมของวิญญาณรวมที่ลักษณะเป็นลักษณะของเตวิโชอันนี้ไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับแค่นี้ครับ ในเตวิชนมันใช่สัญญานั่งหลับตาก็ไปไป ร, รึกหรือไม่หลับตากแต็แล้วแต่แต่คุณไม่สนใจทวารข้างนอกคุณก็เพ่งอยู่ที่ความคิดปรุงความคิดเท่านั้นข้างนอกไม่สนใจตาทบกระทบอะไรนะไม่รู้เรื่องไม่ได้หลับตาสติตื่นเต็มอยู่หูก็ได้ยินหูไม่ใช่หูได้ยินหรอกเสียงกระทบอยู่แต่ว่าคุณไม่รับ คุณไปนสนใจเป็นหนึ่งเอกคตาอยู่ในจิตเท่านั้น Cho, เตวิโชเดียกว่ารวมจิตเป็นสมาธิเป็นเอกคตาในการคอนเซนเทรตคอนเซนเทรชั่นโดยไม่ได้มานั่งเมดิเทชันต้องมานั่งสะกดจิตแล้วก็ให้มันลงเข้าไปในภพมันไม่อย่างนั้นหรอกคอนะเซนเทรชั่นนี่มันไม่เหมือนกันกับเมดิเทชันมันเป็นเรื่องของการรู้ปัตตาหูจมูกลินกายมันเป็นจักขุ เป็นญานเป็นปัญญาเป็นวิชาเป็นแสงสว่างอยู่ครบแต่มันก็มีเอกกคตาในเตวิชโชแต่ทีนี้เราปฏิบัติจนกระทั่งเก่งเนี่ยไอ้เอกกคตาที่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เอกกคตาที่จะมันมันสิวเวลาแทนที่จะรู้ไอ้นวลรู้นี่รู้อนี่แป๊บแ ป, ป, ปเร็วมันจิตมัน ต้องมาอยู่กับอันนี้คือมาอยู่กับนี้เอาอันี้ไม่รู้เรื่องแล้วมันมันไม่ใช่อันี้มันเก่งอยู่ต้องอันี้ก็ยังอยู่อันอื่นก็รู้มาด้วยมันเป็นมุทุธาตุมุทุพุทธธาตุเป็นจิตที่มันเร็วไวทํางานอเร็วไวอันนี้ก็ไม่ได้ปล่อยมันที่จริงความเร็วของสิ่งที่เราเองเราใช้จิตของเราเนี่ยไอ้ความเร็วนี่มันเร็วกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดอยู่เนี่ย ลมมันพัดก็ช้ากับจิตของเราแสงมันมา ก, กระทบเรานี่ก็ช้ากว่ายิ่งเสียงยิ่งช้าก็เยอะเลยเพราะเวลามุทุปุตธาตุเก่งเนี่ยมันจะรับฟังเสียงได้เร็วกว่านี่น เ, นเพราะฉะนคุณไม่ต้องสงสัยหรอกคุณกัดประชุมกั น, นอาตมาก็นั่ ง, ง, งอ่านโน้สพิงว่าอาตมาไปคุณก็ประชุมไปอาตมาก็รู้เรื่องกับคุณหมดนะ่ะ มันไม่ใช่เรื่องมันเป็นเรื่องจริงของจิตที่มันเร็วเป็นมุทุปุตธาเป็นมีชวนจิตมีจิตที่เร็วไว้ดัดง่ายปรับง่ายทั้งทั้งความเร็วก็เร็วได้ <S <S เพราะฉะนั้นไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายต่างๆที่เป็นประสาทรูปโคจรรูปอย่างที่ว่าเนี่ยมันทำงานเนี่ยมันทำงานอยู่ตลอดเวลาตื่ น, นทำงานอยู่ตลอดเวลาและเราก็มีประสิทธิภาพในการที่เรา จัดการกับอะไอต่างๆนานาเ น, นี่ยมณสิการจัดการกับจิตของเราต่างๆตลอดมาเรื่อย ๆ, ๆมันก็มีส่วนที่เกิดส่วนที่ประสบผลสําเร็จส่วนที่เป็นผลของจิตที่มันทําได้ก็เป็นตัวที่เกิดในจิตเราเป็นตัวที่มันเป็นแล้วมันก็เป็นของเราเป็นของเราเป็นของเราเป็นของเร า, เเราให้เราได้ใช้ให้เราได้อาศัยอย่างแท้จริงคุณไปหาออที่ไหนไม่ได้นะ หาที่ไหนไม่ได้ใครจะไปสํารองจากของใครมาขายก็ไม่ได้ของของตัวเองทาให้เกิดทําให้เป็นแล้วคุณก็ได้อาศัยมันจะเป็นเครื่องอาศัยของของตนแทน้อย่างที่คุณพูดอย่างที่คุณดั่นเมฆพูดนะเทตมาว่าจะจะจะถามมอนกันก็คือว่าเทตมาพูดไปเนี่ย หนึ่งคุณไม่เคยได้ยินได้ฟังสองได้ฟังแล้ว <c oughs> มีอยู่สองอย่างเ <c oughs> ชื่อกับไม่เชื่อ <c oughs> ทีนี้เชื่อกับไม่เชื่อเนี่ย <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่เชื่อ ก็คือหนึ่งตีทิ้งสองสงสัยสามมีแยง้งไม่เชื่อเนี่ยหนึ่งตีทิ้งอสองสงสัยสามแยง้งอัตมาก็จึงจะถามว่าไอ้ฟังไปแล้วนี่มีคุณแย้งไหม จะมีบ้างสงสัยแต่ไม่มีตีทิง้งใช่ไหมเออนั่นคืออะไรนั่นคือพวกคุณมีปฏิภานปัญญาแม้แต่คุณดั้นเมฆเองที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันไม่รู้หรอกแต่มันรู้ว่ามั น, มนองรวมอ่ะมันมันไม่ขัดแย้งนะมันรู้สึกว่ามันไม่มีเห็นอะไรแย้งได้เลยนี่คุณมีตัวรู้ ถ้าคุณไม่มีตัวรู้หนึ่งนะคุณก็โง่อย่างเดียวแม้แต่บอกว่าเออมันสอดคล้องมันลงกันได้นะมันไม่มีอะไรแยงนะคุณจะไม่มีเพราะคุณมีปัญญาที่จะบอกตัวนี้แก่ตนเองแต่นี้คุณบอกตนเองได้แสดงว่าคุณมีปัญญาเลยรืยร่อๆวเออมันมีขัดแย้งอะ่ะจะขัดแยง้งมันก็มีสองอย่าง หนึ่งขัดแย้งเพราะอัตตาเราสองขัดแย้งเพราะปัญญาเราถ้าเป็นปัญญาที่ถูกต้องอาตมาก็ผิดแต่ถ้าปัญญาไม่ถูกต้องคุณก็แย่งมาท่าอาตมาจะตอบคุณเองจะรู้ใครผิด ะจะถามอเอาอะไรต่อเขอโอกาสครับผมคือผมขอโอกาสนะครับพอดีว่าวันนี้ฟังช่วงต้นนะครับปฏิจจสมุรปรบาทเอสมุปบาทนะครับพอที่ไล่มานะครับพอมาที่ว่าเรามาติดจันตรงที่ว่าสังขารดับเอ้ยภาษะดับนะครับพอมาพิจารณาแล้วนี่ตามความเข้าใจผมนะครับภาษะมันจะไม่เคยดับมันจะติดอยู่กับกายที่เป็นจิตตัวรับรู้ตลอดเวลา แต่ว่ามันจะเป็นตัวกรองถูกครับกรองเช็คว่ามันได้ตายไปหรื อ, อยังหรือว่ายังอยู่ใช่ใช่ัชหมครับใช่ครับผมอ่ามันได้ตายไปหรื อ, อยังหรือว่ามันรู้แล้วว่าเออมีตายแล้วแล้วก็มีอยู่แล้วแต่คุณก็ใสตัวอยู่ ตัวตามันก็คือไม่เคยดับไปเลยแม้จะเป็นแม้แต่เป็นเป็นอรหันมันก็ยังมีตัวนิ่วใช่ีตาหูจมูกลิ้นกายใชคุณยังมีภาวะชีวิตตินซีของตาหูจมูกลิ้นกายคุณยังไม่ได้ตายดับเลยคุณไม่ใช่คนตายง่ายๆที่ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วครับผมคุณยังมีชีวิตตินซีอยู่คุณรู้อยู่แล้วมันชีวิตตินซีเกิดมาก็เป็นสภาพของจิตเกิดวิญญาณเกิดกายวิญญาณเกิดคุณก็อ่านไม่ได้หมดไม่หมดก็ได้อ่านเท่าที่เรารู้ได้ เลยผมเลยแจ้งว่าไอ้ที่ภาษาเป็นปัจจัยน่ยถูกต้องสิแล้วก็วิโมะแปดวิโมะแปสัมผัสด้วยกายก็คือตัวนี้เองนะครับสูแดนทําสงสัยกายฟังไว้ครับกราบขอบพระคุณครับครับขอกราบครับต่อเนื่องครับอ้าวครับผมก็รู้สึกประทับใจคําว่าภาษาวันนี้ครับโอ้จริงๆงก็ฟังมานานภาษาเป็นปัจจัยภาษาเป็นปัจจัยมันไม่รู้ง่ายๆหรอกภาษาผูดซ้ำๆอยู่กับเราที่แล้วนี้แหละที่ชินหนูครับ แต่ว่ามาประทับใจว่าภาษาเป็นปัจจัยแล้วก็โยนิโนสโมนากิการเป็นแด่นเกิดที่ตัวรู้ก็เหมือนกับคุณพูดเมาากกื่อสักครีบอกว่าภาษาไม่เคยหายไปมันอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเราจะรู้ว่าพอตะปั๊มันจะเห็นจิตตัวเองเกิดเกิดดีเกิดชัว่วทําติดที่มันชัว่วดับลงไปดับลงไปลงไปแล้วก็เห็นจิตที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นงื่นเพราะว่าเออมันมันจริงมันชัดมันไม่มีอะไรสงสัยครับเพียงแต่ พูดได้ความบ้าภูมิใจเออเรารู้มากขึ้นนิดนึงครับแค่นั้นนะครับระวังรูแล้วมันจะปเป็นเจอวัดรูนะทําให้ตัวเองให้มันได้ก่อนนะมันจะรู้ของจริงไปพูดครับเขาอากาศผมหินแสงชาวหินฟ้าอ้าวคนสุดท้ายแล้วครับหมดเวลาโชคดีอ่าเดี๋ยวให้ทางนี้มั่งเหลือสักสิบนาทีให้ทางนี่มั้งมันยี่17บเจ็ละครับสรุปก็คือที่ดับก็คืออวิชาอ่า ที่ดับไปแต่ที่ยังเกิดอยู่ก็ให้มีแต่วิชาฉะนั้นต้องรู้ให้ให้ให้จริงๆว่าอาวิชาเป็นยังไงวิชาเป็นยังไงครับตอนนี้ก็อยากจะถามพ่อครูเรื่องรูปประรูปกับรูปอากายที่ผมเข้าใจคือรูปประลุกกับรูปอากายที่พรอครูเคยบอกว่ามันเป็นของสดแต่ว่านามาลูปกับ นามากายนี่เป็นของแห้งถูกไหมครับมันไม่ใช่ทีเดียวไม่ใช่ทีเดียวครับอไม่ใช่ทีเดียวครับอรูปรูปนี่คือรูปแท้ๆเลยไม่มีนามมาทำเข้าประกอบเลยไม่มีนั่นะเดีว่ารูปรูปส่วนรู ป, ปกายนั้นมีองค์ประชุมของนามมาทำเข้าไปร่วมด้วยเดี๋ว่วองค์ประชุมที่มีรูปอยู่ด้วยมีนามอยู่ด้วยครับ ในว่ารู ป, ปกายมีอยู่สี่คำคหนึ่งรู ป, ป ร, รูปสองรู ป, ปกายสามนา ม, นามรูปสนามก า, ายา ม, มีอยู่สี่คำเนี่ยรู ป, ป ร, รูปคือเนี่ยมันเป็นรูปเนี่ยมันไม่มีวิญญาณนะเรามีแต่ดินน้ำไฟลมหรือมีแต่ธาตุแต่ธาตุมหาพูทธรูปยังเล็บ ที่บอกว่ามันไม่ใช่กายเล็บมันคือรูปไปรูปมันไม่ใช่รูปไปกายเพราะเล็บนี่มันไม่มันมันมันเป็นดินน้าไฟลอมมันไม่มีประสาทเข้าไปถึงผมปลายผมหรือผมข้างยาวมันี่มันโคนไปจนนั้นน่ะมันคือสิ่งที่เป็นรูปรูปรูปมันไม่ใช่เป็นกายมันไม่มีนามไปร่วมเพราะคำว่ากายนี่ไม่มีนามเข้าไปร่วมด้วยไม่เรียกกายเลยเป็นรูปเป็นรูปหมด เพราะตั้งแต่รู ป, ปกายนามกกายเนี่ยท่านามกายก็เน้นนามรู ป, ปกายก็เน้นรูปเอา ง, ง่ายๆให้ก่อนอยังจะอธิบายอีกหลายอันนี้พวกเนี้ยอัตมาเขียนในหนังสือเล่มใหม่หรือวเค้นขยายพวกนี้เยอะครับส่วนนามนามมารูปนั้นน่ะรูปคือสิ่งที่ถูกรู้นามคือตัวรู้เพราะว่าถ้าจะมารู้รูป ร, รูปคุณก็เป็นรู ป, ปกาย คุณจะไปรู้นามคุณก็เป็นนามมารูปหรือนามมากาย<ะ>องค์ประชุมของนามะนะทีนี้คําว่านามเนี่ยโดยตัวมันเองนะ่ะมันก็เอามาใช้เป็นาธาตุรู้ทั้งนั้น<ะ>นามนี่เป็นาธาตุรู้นามต่างก็มาอารูป<ะ>อารูปก็เป็นนามมาธรมในภาษากลางกลางในภาษาไวยพจน์<ะ>อารูปก็ใช้วม า, าเป็นนามมาธรรม abstract อะไรพวกนี้เขาผู้ชายมันมาสร้างปิด abstract เป็นนามมาทำเป็นอารูปสิ่งที่มันไม่เห็นได้ด้วยตาไม่เห็นได้ด้วยตาแต่ไม่เห็นได้ด้วยตาแต่มันไม่ใช่นามเยอะไปแม้แต่ทางฟิสิกส์เห็นได้ด้วยตาไม่ได้แต่มันไม่ใช่นามแล้วมไม่มีธาตวิญญาณอยู่ในนั้นเลยมันเป็นธาตุทาง รูป ร, รูปหรือซ้ําไปไม่ต้องเอาอะไรแสงเนี่ยถ้าแสงมันมีอะไรกระทบคุณไม่เห็นมันหรอกแม้แต่ลมนี่ถ้าไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรที่มันกระทบมันก็มีอาการเคลื่อนไหวบางเบาเงี้ยอากาศว่างๆเงี้ยไม่เห็นหรอกนะมันเป็นอารูปแต่ไม่ใช่นามเลยอ่ะไว้คอยอาศัยดินน้ำไฟลม แลวิญญาณอีกตัวหนึ่งก็อธิบายกันอีกแล้วมันจะรวมเต็มมันก็จะมีหดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณมันจะมีครบหแล้วก็อาธิบายวันหลังๆนะและ้วมันเกินแล้ว เ, เกินเวลาแล้วน ะ, ะงั้นพอก่อนครับ <laughs> เลยยี่บ เ, เอา้าให้นักบวชอีกเก้านาทีที่เหลือ อ, าาอ้าวเร็วเลยอง<อ>นี้นี่ตั้งใจเอาไว้ว่าจะพูดล้านครั้งคื อ, อคือสรุปสรุปในในในปัญหาที่พอนันเทศไปนะั้นสรุปได้หมดนะของของอาตมาเนี่ยมันก็จะออกไปอีกรูปแบบหนึ่งนะเอาเลยเอาเลยใช้เวลามากคืออนะย่างอย่างนักบวชเนี่ยคือผัรษานี่จะมีน้อยมากเพราะว่า ข้างนอกนี่เราออกไปข้างนอกมันมีรูปแบบอยู่แล้วว่าอย่างเสกิยวัตน์เสิบห้าที่ออกไปในนักบวชนี่ต้องคุมคุมรูปหมดเหลือแค่ห้าเท่านั้นเองแต่ถ้าอยู่ในวัดเนี่ยมันก็จะเหลือแค่อังสัยแล้วก็สบงแค่นั้นก็พอก็เดินไปได้หมดหลายพวกนี้ลักษณะภัดสะนะแต่ว่าคารวะเนี่ยเขาออกไปข้างนอกเขาดีใจนะครับเขาจะดีใจมากทั้งๆ ท, ท, ที่คุณออกไปนั่ น, นคือคุณต้องไปเจอ โทษภัยมหาศาลเลยหลายอย่างผัสสะหลายอย่างทางั้งรถทั้งอะไรหลายอย่างแต่ดีใจไงถ้าได้ออกจากวัดแต่เข้ามาวัดในรู้สึกมึด อ, อึดอัดไงพอมันอยู่ตามกฎตามระเบียด <c oughs> อะไรพวกเนี้นะอย่างนับบัวนี่มีต่อสู้อะไรต่อสู้กับ ก, การการกินการอยู่การนอนนะนอนมากไปกินมากไปนะอะไรพวกนี้มันก็จะต่อสู้อย่างงี้แต่ว่าฆราวาสเนี่ยเขาจะต่อสู้ว่าเอ้ยมันอยู่ในวันมันได้กินแค่มื่อเดียวหรือกินแค่2มื่อเนี่ย นะอะไรพวกนี้นะแต่ถ้าออกไปข้างนอกมันกินได้ทุกอย่างนี่แปรซี่โคลาอะไรก็ว่าไปได้หมดเพราะมันไม่มีอะไรคุมอยู่ใช่ไหมเพราะนั่นแหละคือโทษภัยของของโลกนะแต่นักบวดเนี่ยอยากจะมาวันนี้อาหารเนี่ยเวลามาตักอาหารเนีมาเอาอะไรก่อนจะมาเอาผักก่อนเพราะผักเนี่ยมันกินยากนะผักเนี่ยนะถ้าไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไปยากอะไรก๋วยเตี๋ยวก็ผสมสามสี่อย่าง มันก็ได้แล้วมันก็อร่อยแล้วแต่ทำไมมีก็มีวิธีว่าทำไมาจะลดละกินเรื่องก๋วยเตี๋ยววิธีไหนก็เอาเฉพาะก๋วยเตี๋ยวน้ำสี่อย่างไม่ต้องน้าเปรี้ยวน้ำหวานน้ําตาลอะไรพริกอะไรไม่ต้องใส่ไปเพราใส่ไปใส่เมื่อไหร่มันก็อร่อยอะนะแต่ถ้าก๋วยเตี๋ยวนุ้กินไม่เถอะนะหมดกินมาสักสาสี่ครั้งคุณก็เบื่อแล้วนะแต่ทำไมก็สุดยอดแค่นี้จะริ่นทำ มันมีแง่เชิงเยอะเรื่องอาหารเนี่ยเขาอธิบายไปคนละแง่อันนี้แง่หนึ่งเอาใครต่อกรับขอกาศทั้งนี้ค่ะคือติฆมาศกล้าข้ามฝันค่ะคือวันนี้ฟังพ่อครูเนี่ยเหมือนไม่คิดเลยว่าอารมณ์ของเราเนี่ย เนะเมื่อก่อนก็ไม่เคยเป็นงนี้เลยนะเคยแต่เวลาดูหนังกำลังภายในที่มันเรื่องที่เราชอบอ่ะล้วเรารู้สึกว่าเราตื่นตาแล้วใจมันก็คึมๆมืนมันมันลุ้นอะไรก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้เราฟังทำแล้วเรามีความรู้สึกแบบนั้นได้นะมันต่อมันไม่ได้อยากไปไหนเลยมันจะฟังไปเรื่อยเลยนะคะเออใจแบบนี้ใช่มอาการอย่างนี้มั้งเออเอ้เขาถ่ายแฮคุมกัน ลงทุนแล้วก็ถ้าพูดตรงๆก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดหรอกค่ะฉันเนี่ยเข้าใจช่วงของมันเหมือนดั้นแม่พูดนะความันไม่รู้หรอกนะแต่ว่ามันก็รู้อะช่วงช่วงปฏจิจจสมุบาทเนี่ยอพอพอเข้าใจมากขึ้นนะคะทั้งสายดับและสายเกิดแต่พอช่วงรูปเนี่ยวันนี้ก็รู้สึกว่าช่วงรูปเนี่ยเหมือนเหมือนเปิดตาตัวเองใหม่แต่ขอจับช่วงปฏิจจสมุบาทนะคะว่าปฏิจจสมุปบาททั้งสายเนี่ย ช่วงที่เราจะจับมันหรือช่วงที่เราจะจัดการกับมันดีที่สุดก็คือช่วงตันหาเท่านั้นนะคะอ้าวใช่สิตัวนั้นตัวปฏิบัติน่ะเพราะว่าตรงตันหาเนี่ยมันเหมือนอะไรอ่ะว่าจีตังขานมันออกมาเป็นเรื่องเป็นราวกระดุกกระดิกเป็นผิดเป็นผิดเป็นชั่วทําให้เราสามารถเห็นโทษเห็นภัยเห็นอสุภัสสัญญาและเห็นอาทีนวายานได้ตรงนี้แต่ถ้าตรงอื่นๆนะมันจะเหมือนตัวฟุ้งลอยฟุ้งลอยฟุ้งลอยมาถ้าเราไปเก็บมันมันจะทําให้เรารู้สึกว่าจะฟุ้งซ่านด้วยนะ มันไม่ใช่ต ก, กายะมันต้องมาเอาตรงตรงตันหานี่เลยตรงตันหานี่เรามาใช้ความฉันทะใช้อิธิบาทใช้มูลสูตรมากับตัวตันหานี่เพื่อเพื่อกำจัดกำจัดให้ถึงหมดต ก, กายะแล้วมันก็จะโผล่ตัวอีกตัวก็จะเป็นส ก, กายะต่อกันก็รู้สึกว่าก็ไม่คิดนะฮะว่าโ อ, อ้เราพวกเราจะมีวาสนาเข้าใจการทำงานสายงานของการเกิด ของอวิชาและก็การดับของอวิชาใ น, ใ น, ในปฏิจจสมุปบาทะฮะด้วยการทําใจในใจที่แยบคายฮะเรคิดว่าถ้าเรามีใจที่เพลิดเพลิน ม, มันเพลิด ม, มันไม่ได้เพลิดน ะ, ะมันเพลิน ม, มันเพลินแล้วมันก็สนุกแบบอ่อนๆยังไงมันก็ไม่รู้แบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆืย ๆ, ๆแล้วก็เอาไปเอาไปจับกับชีวิตของเราเนี่ยที่พ่อท่านให้พรตอนแรกอะ่ะแล้วเราก็หัวเลาะ ก, กันนะฮะ หัวเลาะกันดีใช่ก็ว่าหัวเราะเหมือนกันหัวเราะท่านถามว่าหัวเราะทำไมเออมันหัวเราะเคิรนๆยังไงมันนึกว่าเราจะเป็นได้หรือมันชอคิดอย่างนี้นะมันไม่ค่อยกล้าคิดว่าตัวเองจะเป็นอัลหันนะพราพอเดี๋ยวนี้มันรู้จักกิเลสแล้วตอนมาใหม่ๆมันกล้าคิดเดี๋ยวอยากอัลาหันเดี๋ยวอยากอานาคามีพอรู้จักกิเลสนี่มันมันจะไม่ค่อยกล้าพูดแล้วมันรู้อํานาจของมันไงแต่วันนี้พอฟังไปแล้วเราก็เกิดความเพลิดเพลินในเส้นทางตายนี้ก็ ฟาร์มหัวเรอะนั้นก็คงจะเป็นฟาร์มหวังของชีวิตนะรการาก <laughs> ะมีสมาธิไหมอ้าวอีกสามนาทีขับคอการครับครับฟั้งพ่อครูวันนี้ก็รู้สึกว่ากระจ่างขึ้นนะแต่ก่อนเคยมีตะกะสงสัยเหมือนกันนะว่า เอออัตภาพของคนเนี่ยที่มันสะสมวิบากกรรมมาไม่รู้เป็นล้านล้า น, ล, านล้านชาติอย่างที่พรอครูพูดเน่ยนะอั น, นี้พอพอเป็นพระอรหันเนี่ยมันจะพอครูบอกว่ากรรมทุกกรรมที่เราทําลงไปเราต้องได้รับนะได้รับผลของมันใช่ไหมอ่าพราะนั้นพระอรหันที่จะต้องได้รับผลของกรรมเนี่ยถ้าถ้ า, ถ, าถ้ากาละใดที่พระอรหรันท่านเรียกว่าไม่ตั้งกิจต่อว่างั้นนะใช่ไหม จะปรินิพานแล้วไม่ตั้งจิตต่อแล้วแสดงว่าชาตินั้นจะต้องโอ้โหวิบากจะต้องเยอะมากอลยนะโดยตระ ก, กะเราคิดเอาเหตุผลเห็นไหมเพราะว่ามันจะต้องตามทวงอะนะวิบากกรรมที่ตัวเองทํามาทุกทุกชาติทุกชาติทุกชาติอันนั้นมันต้องตามทวงแล้วโอ้โหแสดงว่าพระอรหันต์รูปนั้นไม่ตั้งจิตต่อในวิบากกรรมจะต้องหนักมากเลยเข้าใจไปเป็นแบบนั้นแต่พอฟังพ่อครูแล้วรู้สึกเ อ, อวันนี้กระจ่างชาัดว่ามันจะไม่ได้รับเพราะว่า มันกั้นได้หมดละกั้นไม่หมดกั้นได้หมดกั้นไม่หมดเห็นไหมแล้วก็ปริญนีพผานไปอันไหนที่มันไม่ใช่กำหนักมันก็จะมาไม่ถึงเออก็เข้าใจมุมนี้มากขึ้นแต่ก่อนก็เอ๊มันสงสัยนะเออวันนี้รู้สึกว่ามันมาไรเนื้อกำครับก็มีแค่นี้ครับพ่อครูอ่าอ้าวพอดีหมดเวลาอ่เอาละ น่าก็ได้ฟังใหม่ๆไปเรื่อยๆอาตมาตอนนี้เนี่ยนะ่าคบคาสมาคงาเทวดามากขึ้นอ่า <c oughs> นะนี้ตีสี่ต้องตื่นลนะนอนต่อไม่ไหวนะ่าทุกทีก็นอนหโมงนะ่าพยาบาลก็พยาบาลบังคับให้นอนถึงหโมงทีทุกทีทกท <c oughs> เราก็บอกมันพอแล้วแล้วมันต้องทำงานด้วยมันจะเขียนซื้อไม่ทัน อุตสาหต้องเลื่อนเข้าไปเรื่องหนึ่งเดือนนะเนี่ยนะแต่คิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมีอะไรใหม่รู้สึกว่าตัวเองว่าโอ้โหคราวนี้นี่รูปติปฏิพานธรตมาเนี่ยเพิ่มใส่เข้าไปนี่เยอะนะหลายคนจะรู้สึกว่าโอ้โหนักหนังสือเล่มนี้ถ้าได้อ่านแล้วพวกเรานี่แหละคนอื่นที่ก็แสวงหาบางทีก็จะรู้สึกว่าเออนัหนังสือเล่มนี้มันมีอะไรมันมันมีใหม่มีอะไรขึ้นมาใ น, นในบัณนะพิภพทีเดียวนะ ก็อา้าวติดตามดูนาะสหรับวันนี้ก็รู้สึกว่าดีน p ะแอ e c i a t e กันดีก็ไปนอนได้น ะ, จะเจริญธรรมทุกคน